ในในช่วงช่วงค่อยๆบอกค่ะแต่มันก็จะมีเหมือนกันที่แบบพอไปโรงพยาบาลตุ๊กเนี่ยเจอครั้งแรกมันเป็นมะเร็งแล้วกําลังแย่นแล้วแต่คนไข้ก็ยังพอรู้ตัวอยูยอย่แญาติเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ใครบอกคือห้ามบอกหรือเราจะเราจ ะ, เราจะทำยังไงคือมันจําเป็นใช่ไหมคะว่าคนไข้อะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยกําลังจะตายแล้วจะตายพอาะอะไรแล้วเราจะมีวิธีการบอกญาติยังไงให้แบบควรบอกนะไม่ใช่ให้ตายไปโดยที่ความเราก็ผูกความนะ คือบางทีญาติเขาก็กลัวว่าถ้าคนไข้รู้ความจริงแล้วก็จะสุดหนักเขาก็เลยไม่บอกแต่ตอนนี้มันก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าบอกเนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยข้อดีคือคนไข้เขาไม่ต้องเจอข่าวร้ายแต่ข้อเสียคืออะไร ใช่เสียคือเช่นอ่าไม่มีเวลาได้วางแผนชีวิตระยะสุดท้ายอเออนี่โอกาสได้สั่งเสียใช่ไหมไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่อยากหรือไม่มีโอกาสที่จะเร่งรีดทำใช่ไหมส่วน คนที่ยังลูกหลานก็จะพูดความในใจก็ไม่กล้าเพราเดี๋ยวเขารู้เชจะบอกรักจะขอเขามาเงี้ยใ่ไมไม่กล้าทำเพราะเดี๋ยวเขารู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องมาขอเข้ามาชันชอันนี้ก็ต้องเผื่อก็ต้องชัางน้ำหนักดูใช่ไ ถ้าราก็บอกว่าถ้าเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าเอ้ยผลผลดีของการบอกแต่ผลดีของการปิดเนี่ยมีมากกว่าผลเสียก็ก็อาจจะไม่บอกใช่ไหมคือต้องคิดตรงเนี้ยส่วนใหญ่ไม่เคยได้คิดหรอกมองแต่ว่าเออถ้าบอกว่าเนี่ยมีข้อเสียแต่ไม่ได้มองไว้บอกมีข้อดีอะไรบ้างแต่นี้ก็เลยก็เลยทําไป เอาความรู้สึกของตัวเป็นเกณฑ์ก็คือว่าตัวเนี่ยจริงๆถ้าจากความรู้สึกตัวเป็นเกณฑ์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าถ้าฉันเป็นอะไรอย่างให้บอกนะเวลาถามเนี่ยว่าถ้าฉันถ้าฉันเป็นมะเร็งเนี่ยจะอยากจะรู้ความจริงมนะส่วนใหญ่ก็ยกมือบอกอยากจะรู้ความจริงแต่ถ้าพ่อแม่เป็นเนี่ยอยากบอกไนหะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากบอกส่วนใหญ่ก็อยากรู้แต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นคนรู้ถ้าก็าเป็นซึ่งมันก็เนื่องพราะว่าสองมาตรฐานไงคนส่วนใหญ่สองมาตรฐานใช่ไหมแล้วเราก็ไปตัดสินทางเขาว่าเ้าไม่ควรรู้หรอกอันนี้ก็เป็นปัญหา ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยออควรจะคิดเรื่องนี้ใต่ตองให้ดีและจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ก็มักจะรู้นะเพราะว่าตัวเองเนี่ยคงมีอะไรไม่สู้ดีที่เป็นเรื่องร้ายด้วซ้าคนไข้มักจะรู้สักระยะหนึ่งเราไม่อยากบอกให้คนไข้รู้แต่คนไข้เขาก็จะรู้เพราะเขาสังเกต อากัรกริยาที่เปลี่ยนไปของของญาตแม้กระทั่งอากัรกริยาที่เปลี่ยนไปของหมอหมอบางทีก็ไม่สบตาบางทีก็ไม่อยากจะอยู่คนไข้นานเพระเดี๋ยวคนไข้ท า, ามหมาหมอก็ที่เกียดไม่อยากตอบไม่อยากโกโ ก, โกโอกนะเอความจริงเนี่ยต่ความที่ว่าคนไข้จะไม่รู้มันก็ มันจะไม่ไม่เคยเป็นจริงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าถ้าว่าถ้าว่าจะจะปิดเนี่ยเอาข้างจริงมันก็ปิดไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะหาโอกาสที่จะคุยเปิดเผยหรือบอกความจริงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจะดีกว่า ทำงานเกี่ยวเรื่องนี้เหรอทำอะไรก็คือดูแลคนบางวนยาแล้วมีอะไรก็เชิญได้นะพูดคุยได้สนทนากันได้จริงถ้าแลกเปลี่ยนก็ยิ่งดีเลยใครที่อะเอเอ หรือไม่รู้อะไยไม่ไม่ไม่ม่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่การวางใจอยู่ที่ว่าใจจิตใจเป็นกุศลหรือเปล่ากลัวตายไหมอะไรเงี้ยการวางใจเป็นอย่างไรมีความโงาธอะไรมีความอาวรมีความโกรธมีความรู้สึกผิดติดข้างใจไหมไม่รู้ว่าตายข้ออะไรแต่ว่าถ้าไม่มีอารมณ์พวกนี้มันก็ก็ ก็น่าจะไปดีในที่นี้นี่ขายที่มาเป็นครั้งแรกมั่งยกมือ่ะเยิะเงินนะกว่าครึ่งนะได้ข่าวจากไหนเนี่ยหรือทำไมถึงมาฮะโปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์อ ต, อรติดแถวนี้ยหรออยู่เถวนี้เขามาฉายให้ดูที่ไหนอ่งก็คือพอดีไปประมงปูนาแล้วก็ป<อ>ูาเขฉายาโปสเตอร์อุ๊ เขาฉาปุ๊บก็เลยส่งลายถ่ายแล้วส่งลายอ๋อเดี๋ยวนี้เร็วส่งลายปุ๊บนี้ก็ภรรยาผมที่นั่งตรงนี้นะพอเห็นปุ๊บก็เลยบอกว่าเขาจะปัดเขาจะมางานนี้ผมบอกเฮ้ยเราตรงกับวันที่เราจะไปต่างประเทศนะจองตั๋วทุกอย่างจ่ายตังค์ไปหมดอย่างนั้นเหรอแล้วผมก็จะมางานนี้ผมก็ยึดหลักว่าการทําให้ภรรยามีความสุขเนี่ยจะทําให้เรามีปัอผมก็เลยยกเลิกการไปต่างประเทศไม่เลื่อนอ่ะเลื่อนไปเมื่อื่นอะไ ทุกอย่างทัวร์นคนอื่นก็ไปหมดแล้วก็ไปหลังไม่้หมดแล้วเรือแดนเราสองคนมาอาจารย้นั่นต้องเกี่ยวประโยชนให้ได้เยอะๆนะครับเห็นโยมสดกับตลอดเลยแรงมือสวยด้วยก็เขาได้นิดหน่อยแล้วคนอื่นน่ะของผมบริษัทเอส่งมาครับ AI อ๋อเพราะหนอนาไปอบรมใช่ไหมเข้าห้องก็เลยจัดรถตู้มาให้ครับปีคนน่ะ มาเก้าคนคนร้บแต่ว่าคงอยู่ได้ไม่ถึงครบแล้วก็ไม่ได้คาครับเขคงประมาณวัยสามกับ 3, วันนี้อ่โอ้เิมาเขาจริงๆคืน น, นี้ดีนะรายการอ่ะจะทางโทรศัท่อ๋อเหรอเราเราจัด ก, การเองเนี่ยเรากลับเองให้เราก็กลับไปเลยที่สุดเด็ดเหรออ๋อ ที่ถามเพราะว่าปีก่อนก่อนเน่ยคนก็ไม่เยอะเท่านี้ที น, นี้ชื่อปีนี้คนเยอะท่าที่ชื่อมันเป็นเรื่องน่ากลัวตายก่อนตายใช่ไหมหรือว่าอะไรก่อนตายก่อนตายชใช่ไหมหรือชื่ออะไรชื่อเนี่ดึงดุหรอแล้วก็แปลแล้วก็เนี่ะทําไมถึงมาเป็นคงแรกได้ข่าวท่านอืน่นบ้างไหมทางเฟซบุ๊กเหรอ นะโอ้โอาจารย์ใบไอาจารย์อะไรเงี huh. uh, ah, ้ยนอบปีนี้พิเศษนะผู้หญิงจะลงสีมาแต่ก่อนเนี่ยไม่มีมีกันสามคนเอเชิญมีอะไรที่จะคุยคุยแลกเปลี่ยนนะ เมื่อเช้านี้ที่มีคนถามเรื่อง ค, คอุณค่าอาเมอร์อืมคุณพ่อค่ะตอนนี้แปดสิบห้าปิี่แปดสิบห้าก็เป็นอาไซเมอร์ดูมากิสนเราเรารู้สึกว่ า, ามันมีความยากลำบากในการเตรียมตัวให้เขาอยู่กับประตัไิเขาจะมีความกลัวเยอะมากก็คือเหมือนแบบเป็นทุกข์กับอาการป่วยไม่สุขสบายเลยจะมีอาการคือคือเขาจมอยู่กับทุกขัวนั้นนะคะเรา คือเวลาเราสะท้อนเขาตรงๆให้เขารู้ให้เขาอยู่นะคะนั่นเมันเป็นความยากลำบากตอนนี้เขาเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เป็นมาเป็นมาประมาณห้าปีค่ะแต่ที่เป็นมากมากคือพาร์กินสันพาร์กินสันใช่ค่ะใช่แต่ก็ไอเรื่องความกลัวเยอะยเยอะมากคือไอความกลัวเนี่ยมันมันบรรเทาไม่ได้ด้วยการให้เหตุผลนะ เราให้คนยังไงก็ไม่หายปวดแต่ว่าถ้าเราให้ความให้ความรักความใส่ใจมันจะช่วยเขาได้มากกว่าพยายามถ้าเรามีถ้ามีเวลาการพูดคุยกับเขาเนี่ยทาให้เขาได้ได้ได้บอกความรู้สึกของเขาการที่เขาได้ได้ระบายได้บอกว่าเขากลัวอะไรเนี่ยมันก็ช่วยเขาได้เยอะ แต่ว่าถ้ามันมันก็ต้องหมายความว่าเขาต้องพร้อมที่จะที่จะแชร์บอกบอกความในใจของเขาให้เขาให้เราฟังซึ่งก็หมายถึงว่าเขาเขาไว้ใจเราเนี mm hmm. อันนี้เขาก็จะการที่เขาได้บอกเนี่ยมันช่วยได้มากไม่ใช่เพราะความกลัวความโกรธความน้อยใจเพียงแคได้พูดได้เล่าเนี่ยมันมันช่วยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า เปิดตัวกายให้เขาเนี่ยสับถามว่าเขารู้สึกยังไงในแต่ละขณะแต่ละขณะ ด, ดีใจก็บอกว่าดีใจกลัวก็บอกว่า ก, กลัวเนี่ยมันจะช่วยทําให้เขาเนี่ยได้ได้รู้วิธีตั้งเล่าความกลัวได้คือเห็นความกลัวความกลัวเนี่ยมันอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันกลัวมันมันกลัวถวกูกดูถูกเห็นเข้าใจไหม มันกลัวถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกับขโมยเนี่ยขโมยขโมยเนี่ยมันมันเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะกลัวเจ้าของบ้านเห็นพอเจ้าของบ้านเห็นเนี่ยศบตานี่เจ้าของบ้านต้องทำอะไรขโมยก็จะหนีไปเองไออารมณ์เนี่ยอารมณ์อกุศลทั้งหลายจริงๆริอารมณ์ทุกอย่างทั้งบวชทั้งรมเนี่ยมันไม่ว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนเนี่ยแต่มันมีจุดอ่อนตรงนี้ กลัวถ้าเรารู้ทันรู้ทันด้วยสติมันก็จะไม่หายไปหมอที่หมอวิธานแกเป็นหมอผ่าตัดตอนหลังแกมาทำแกมาผ่าตัดเล็กเวลาผ่าตัดเนีแยคุณแค่ก็จะกลัวถามว่าอะไรถามว่ากลัวอะไรทำไมถึงกลัวกลัวเจ็บ หมอบอกไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวหมอจะฉีดยาชาก็ยังกลัวกลัวอะไรกลัวเข็มพอฉีดยาชาไปไม่หายไม่ไม่ยังไม่ยังยังยังไม่ยังยังยังยังเจ็บเลยนะชายาชาไม่ออกเลยต้องกลัวมากยาชาหมอกลิตตอนที่ผ่าเรียบร้อยไปแล้ว ตหลังเนี่ยหมอวิทานก็รู้ว่าพูดยังไงยังไงว่าอย่ากลัวอย่ากลัวก็ไม่ไม่ไม่มีประโยชน์จะอธิบายเหตผลยังไงก็ไม่ช่วยจนกระทั่งหมอวิทานใช้มอใช้มอเนี้ยใช้วิธีว่าเนี้ยตอนนี้กลัวใช่ไหมถ้าคะแนนมีสิบคะแนนนี่กลัวเท่าไหร่กลัวห้ากลัวหกกลัวเจ็ดหรือแปดคะแนน แล้วก็ให้มาดูว่าเนี่ยไอ้ความกลัวเนี่ยตอนตอนที่กลัวเนี่ยร่างกายเป็นยังไงสังเกตว่าร่างกายเป็น อ, ไนอะไรเวลากลัวเคยสังเกตหรือเปล่าเป็นยังไงแล้วมีไอ้แล้วมีอย่างา อ, อ, อืนอ่นอะไรอีก อ, อกีกฮะเกรงอะไรอีกสั่นสั่นแล้วอะไรอีกเลือดออกเลือดออตื่นเต้นนั่นเป็นความรู้สึกร่างกายเป็นยังไง สังเงือออกมีอะไรอีกถุกแน่นนะโ อ, อ้ถูกแน่นนะโ อ, อ้อะไรนะปวดจใจเต้นเร็วมลมหายใจเป็นยังไงลมหาออยใจแรงข้าอ่าเนี่ยก็ให้คนไข้มาดูเนี้ยแล้วก็แล้วก็มาดูว่าความรู้สึกเหลนี้เป็นยังไง ห, หมอวิธานใช้ว่าให้ไปให้ไปอยู่ปรงใจกลางความกลัวเลยแล้วคนไข้เนี่ยก็จะรู้สึกเลยนะว่าความกลัวลดลงพอ พอให้คะแนนความกลัวเนี่ยไอ้ที่เคยกลัว 6,7 เนี่ยมันก็จะลดลงเหลือ2หรือ3วิธีที่มาวิธานพูดเนี่ยก็ก็คือการให้มีสติมาดูซึ่งก็คล้ายๆกับพ่อของเด็กคนหนึ่งเด็กเดีผู้ชาย 3, 4, 4, วัย 3,4 ขวบเป็นกลัวโป้เวลาเวลาจะข้ามเรือเนี่ยจะต้องเวลาจะข้ามข้ามฟ้าเนี่ยต้องต้องต้องลงโป้ก่อนใช่ไหมเขาเรียกลงโปหรือขึ้นโปน้ไห ลงใช่ไ่ะลงตัวก่อนจะลงเหลือยนะเด็กก็จะกลัวขนาดที่พ่อเนี่ยอุ้มอุ้มลูกเอาไว้เนี่ยพ่อก็ไปให้ผลลูกว่าลูกไม่ต้องกลัวพ่ออุ้มลูกนะยังไงลูกไม่ตกลูกก็ยังกลัวคือความกลัวเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าเวลาเราบอกให้ผลลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมองเหมือนกับจะให้จะให้จะใ ห, จะให้จะให้หูเนี่ยนะมันเห็นภาพเนี่ยมันยาก ปนมันต้องฟังฟังเสียงจะให้ตาเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามันต้องต้องเห็นรูปนะครับไอ้ความความรู้สึกเนี่ยมันจะบันเทาได้มันไม่ได้บันเทาด้วยเหตุผลมันบันเทาด้วยความรู้สึกผิดชัติเซนนึงแกทํายังไงก็ไม่มีประโยชน์นะลูกยังกลัววันหนึ่งก็มามาเข้าคอสคุณนายแล้วคุณนาแกเคยเล่าถึงถึง ถึงลูกชายเนี่ยตัวเล็กๆ เ, เนี่ยตัวเล็กสุดเนี่ยตอนนั้นอายุสามขวดสี่ขวดย่าหรือยายไม่รู้เนี่ยให้เอาเก็บเอาเอาดอกไม้มาใส่ใ ส, ใส่เนี่ยใส่แจ ก, กันอย่างเงี้ยมีสีขาวกับสีแดงนะไม่ใชเ่เด็กเนี่ยเอาให้ย่าดอกไม้ไป เ, เก็บมาเนี่ยนะ สองแจกกันแจกกันหนึ่งก็สีขาวอีก น, นึงก็สีแดงเอามาให้ยายยายก็ขอบใจหลานน่ารักมากเลยพอเด็กไม่อยู่ยายกย็ดอกไม้นี่ถ้ามันมันสีมันค้ากันจะสวยกว่านะก็เอาสีขาวนี่มาผสมกับสีแดงสีสีแดงก็มาผสมกับสีขาวเด็กเนี่ยชื่อชื่อ ปุ่นมั่งเห็นโกรธโมโหโกรธโมโหมาเอาของตัวเองมาทำให้เสียเด็กเก็เป็นศิลปินนะเข mm. าบอกไม่สวยอ่ะก็ไม่ยอมแม่ก็บอกงั้นเดี๋ยวแม่ทํำให้ไม่เอาไม่เอาต้องให้ย่ามาทําย่าก็ไม่อยู่ก็ไม่ยอมร้องห่วงร้องไห้โอเปตโลทีแรกหน้าแกก็โกรธนะ mm. พูดไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวถ้าเป็นสมัยกรร่อนก็เดี๋ยวเบิร์นเลยอนะไรเงี้ย หรืแม่ก็ต้องขู่เนี่ยแต่ตอนหลังแกรู้สึว่ทาทำแบนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ผลก็เลยพูดกับลูกว่าลูกโกรธย้าใช่ไหมโกรธโกรธมากเลยนะลูกโกรธญ้าที่เอาดอกไม้ของปันเนี่ยมามาปนกันใช่ไหมใช่แล้วลูกโกรธเนี่ยโกรธเท่าไหร่โกรธเท่านี้เท่านี้หรือเท่านี้เด็กต่อเท่านี้เลยนะเท่าฟ้าโวโกรธย้าเท่าฟ้านะถ้าเป็นถ้าเป็นแม่นี่ก็ต้อง ต่อวา่าลูกกดแม่ยาอย่างนี้ได้ยังไงนายาเอเอเรอเอเดี๋ยวจะบอกยาให้นะว่าวา่าลูกเนี่ยโกดยาท้องฟ้าเลยนะทั้งพังเนี่ยเด็กเนี่ยหายโกรธแล้วก็เด็กก็ไปวิ่งเล่นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่นาทํากับลูกคือเป็นกระจกสะท้อนให้ลูกเนี่ยเห็นความรู้สึกของตัวเอง และธรรมชาติของอารมณ์เนี่ยพอพอความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันถูกรู้ถูกเห็นเนี่ยหรือว่าเมื่อเราทู่งท่าทางอารมณ์ความรู้สึกงตัวเองเนี่ยมันจะวูบเลยเด็กเนี่ยพอเห็นว่าเห็นเห็นความโกรธงตัวเองนะมันวูบเลยแล้วเด็กเนี่ยมันจะหายความโกรธจะหายเร็วเพราะเด็กไม่มีเหตุผลที่จะต้องไม่มีเหตุผลที่จะมาหล่อเลี้ยงความโกรธนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีเหตุผลหล่อเลี้ยงความโกรธเราต้องโกรธมันไม่ดี ทำอย่างนี้เนี่ยเสียหายไม่เคารพสิทธทิของเราใช่ไหมหรือว่าต้องสั่งสอนชนแล้วหนีทําไมชนทําไมไอ้ห น, ทนีทําไมหนีทําไมจําได้ปะหนีทําไมประโยชน์เนี่ยคุณไหมฮะคุณเหรอคือผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีเหตุผลที่จะหล่อเลี้ยงความโกรธมันถึงไม่หายเร็วเนี่ยทั้งที่รู้ทั น, นแต่เด็กไม่พอพอรู้ทันผู้นึง สงบเลยอันนี้พ่อเนี่ยดยีเรื่องเนี้ยเอ๊ยก็แปลกไงมันทำอย่างนี้ความสตินี่มันมันช่วยได้ขนาดนี้เฉอเลือทดลองดูเอาลูกเนี่ยนะอุ้มลูกเนี่ยหลงโปเด็กโวยวายเลยนะกลัวนะพ่อก็เลยบอกลูกลูกกลัวใช่ไหมกลัวนะแล้วกลัวแลจวางกายเป็นยังไงเด็กก็ตอบี่ไนงะ เด็กมันตอบหัวใจมันเต้นมาตัวมันเกรงเนยเด็กตอบเลยนะเด็กสามสี่ขวบอะเด็กตอบว่าร่างกายเป็นยังไงกลัวหัวใจมันเต้นหายใจมันเร็วกลัวเกรงขนลุกเนี่ยหัวใจเป็นยังไงใจมันหนักใจมันใจมันรู้สึกทุกข์มากอย่างเงี้ยนะสักพักเด็กก็นิ่งแล้วอยู่เด็กก็ปล่อยมือแล้วก็ลงมาวิ่งรอบโปะเลย ผูหายเร็วมากเลยสิ่งที่สิ่งที่พ่อทําก็คือทําไม่รู้เห็นเห็นความกลัวทําไม่รู้ได้เห็นเห็นผู้ภาษาภาษาธรรมมากคือเห็นกายเห็นใจทำไม่เห็นให้มันรู้กายรู้ใจซึ่งอาจารมาคิดว่าเนี่ยมันเป็นวิธีที่ก็ผู้เจ้าก็สอนอยู่แล้วสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมคือฐานสีก็คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมใช่ไหมซึ่งย่อ ง, ง, ง่ายๆคือรู้กายรู้ใจ ก็คือมาเห็นเห็นกายมันรู้สึกยังไงเห็นใจมันรู้สึกยังไงให้พวกเราเนี่ยเวลาเวลาโกรธเนี่ยลองกลับมาดูกา ย, ยาหน่อยบางคนเนี่ยมันจะพูดว่าเนี่ยคนคนโกรธแรงจะ่ทำยังไงมันจะหายโกรธเนี่ยวิธีที่หลายคนใช้คือกดขมมันซึ่งก็ดีนะแต่ว่ามันมันมันไม่ช่วยมันช่วยชัวย่วคราวก็เดี๋ยวก็พอพ อ, พอไม่กดมันไม่ขมมัน มันก็โกรธขึ้นมาใหม่เหมือนกับเราเอารกดลูกบอลลูกบอลกดกดลงในน้ำนะมันก็จมน้ำนะแต่มันจมน้ำตามเท่าที่เรากดพอเราปล่อยมือไปไงมันก็เด้งใช่ไหไเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพียงแค่รู้ทันรู้ทันรู้ทันความโกรวก็คือว่าพาที่เราโกรดเนี่ยกายเราเป็นยังไงกายเราเป็นยังไงสังเกตดูนะ เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยจะตอบไม่ค่อยได้แล้วเพราะเพราะไม่ค่อยได้สังเกตกายยิ่งถามาใจลึกๆยังไงยิ่งตอบไม่ได้เลยเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองเท่าไหร่เราไปสังเกตข้างนอกเยอะเราตรงตรงดิดต่อง่ายเยอะและสมัยนี้มันมีโทรศัพท์มือถือให้เราไปจดจอข้างนอกอ่าเชิญนะครับ แ, แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนหรือว่า่นหน้าที่ทำงาน มีความรู้สึกเนี่ยเราควรสะท้อนความรู้สึกเขาหรือว่าเราควรจะห่างพัหรือว่าถ้าจะสะท้อนความรู้สึกเนี่ยควจะพูดในลักษณะไหนเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของเด็กอะไรย่างเงี้ยอาจเราอาจจะพูดได้ง่ายๆใกล้ๆก่อแต่สําหรับคนในระดับเพื่อล่ว ง, งานะคี่เป็นคน้าสะท้อนความรู้สึกนี่หมายความว่าอรสะท้อความรู้สึกของใครของเราหรือของเข า, าอ๋อเพียงแค่ l e a r n i n เนี่ยเพียงแค่ l e a r n i n เนี่ย เขาเราก็เหมือนกับกระจกที่ทําให้เขาเห็นตัวเองสิ่งที่คุณาทำนีก็คือเป็นกระจกให้ลูกเห็นตัวเองว่าเนี่ยกําลังโกรธใช่ไหมก็คือว่าตัวเองเนี่ยนิ่งแล้วก็ถามลูกแต่ตาผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราแค่นิ่งเฉยเฉยเนี่ยเขากำลังโกรธเขาลังโวยวายเนี่ยเรานิ่งเนี่ยนะเขาจะรู้เองสักพักก็จะรู้ว่าเนี่ยเขาเนี่ยโกรธแต่ถ้าเราไปโต้ตอบเขาเนี่ยนะ เขาจะจดจ่อมาที progress, ่เราเขาจะมาหาทางหักล้างคำพูดของเราหรืออาจจะแย้งก็คือหาทางด่าเราหาทางสยบเราจิตตอนนั้นเนี่ยมันออกไปข้างนอกแล้วมันไม่ได้กลับมาเห็นตัวเองแต่ถ้าเรานิ่งเนี่ยนะโอกาสที่เขาจะเห็นตัวเองเห็นว่ากำลังโกรธเนี่ยมันจะมีสูงแล้วพอเขาเห็นตัวเองว่าเขาโกรธนี่นะมันจะสงบ หรือไม่ใช่เราก็ต้องรู้วิธีพูดนะคนที่กําลังโกรธเนี่ยถ้าเราไปบอกเขาว่าถ้าเราต้องอย่างเช่นเนี่ยเพื่อามาคนหนึ่งเนี่ยเป็นตอนที่เป็นนักศึกษาปีสีเนี่ยอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยคณะสังคมเนี่ยก็ต้องในสุดท้ายต้องไปฝึกงานแค่อย่าไปฝึกงานกับสมาชิกคนจนเพราะเป็นคนคนทีสารอาจารย์เนี่ยอยให้ไปฝึกงานกับข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนแล้วเนี่ยนะซึ่ง นักศึกษามไม่ชอบก็ไม่ก็ไม่เห็นด้วยก็มีการถกเถียงสุดท้ายไปลงว่างั้นไปทํางานไปฝึกงานกับองค์กรที่ทํางานช่วยชาวเขาแล้วกันภาคเหนือก็เดินทางไปภาคเหนือไปเชียงใหม่ไปถึงพบ ว, ว่าอาจารย์ให้ไปทํางานกับกรมประชาสงเคราะห์เพราะ ก, มการมอย่างเขาทํางานชาวเขาด้วยนักศึกษาโกรธมากเลยเพราะตกลงกันแล้วไม่ไ ม, ไม่ทําตามเนี่ยคืนนั้นันคืนเนี่ยนอนไม่หลับคิดวกไปวนมาเนี่ยขุ่นมัวมาก มารุ่มขึ้นอาจารย์ที่ปรึกษามาแต่คนละคนกับที่ที่เป็นคู่กรณีอาจารย์ที่ปรึกษามานักศึกษาก็ใส่เลยนะทำไมตกลงกันแล้วไม่ทําอย่างที่ตกลงนักศึกษาก็โวยอาจารย์ก็ดีอาจารย์ก็พยายามชี้แจงนะนักศึกษาก็ยังไม่ไม่ไม่ลดละนะแต่อาจารย์เนี่ยคุมอารมณ์ได้ไม่โกรธ ถ, ถึงจุดนอาจารย์ก็ถามก็พูดเลยสุธิสารนี่คิ้วเธอเนี่ยผูกเป็นโบเลยนะ พอพูดตรงนี้ได้สติเลยรู้เลยว่าตัวเองโกรธแล้วตอนนั้นเนี่ยพอรู้ปุ๊ว่าตัวเองโกรธนะความโกรธมันหายไปเลยแล้วแกทึ่งมากแต่ประหลาดโอ้โหมันความโกรธนี่มันมันมันหายง่ายอย่นี้เชืเ่อเหรอแล้วแกมาล้วนเนี่ยคือสติอาจารย์ทักทําไมลูกษาได้สติก็มารู้เห็นมันรู้ความสูงตัวเอง ถ้าเกิดเราเร า, เราจะเราจะพูดกับเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องพูดให้มีมีมีมีศิลปะหน่อยถ้าเราพูดด้วยความโกรธเขาก็จะโต้เราใช่ไหมหรือว่าถ้าเราไปพูดแย้งว่าเนี่ยนี่ปฏิบัติทํายังไงทำไมถึงโกรธแบบนี้โอ้ยเขยิ่งโกรธซะเลยให่ใช่ไเราก็ต้องพูดด้วยเมตตาใช่ไหมย่าจกระจานี่แกก็พูดด้วยเมตตา การสื่อสารนี่คิดถูกปู่เป็นโค้บเลยนะเป็นการสะ ก, กิดทำให้ได้สติพระอาจามาคิดว่าเนี่ยมันถ้าเราจะพูดเนี่ยเราต้องพูดเพื่อให้เขาได้ได้รู้ตัวเองไม่ใช่พูดเพื่อตอบโต้เขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องมีศิลปะมากยังมีอีกลายหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนโรนงเรียนแถวชาญกรุงอะ ปิดเมเนี่ยไอ้แค่ปิดเทอมเวลาปิดเวลาเลิกเรียนเนี่ยโอ้โหผู้ปกครองนี่จะมารับกันขับรถมากับทุกคนเลยรถก็จะติดยาวนะติดแล้วก็มีปัญหาว่าจะหาที่จอดรถก็ยากมีผู้ปกครองนึงเป็นนายทหารแกก็ขณะที่แกรอรอรอกต่ที่รถเนี่ยมันติดยาวเนี่ยเข้าไปในบริเวณโรงเรียนแล้ว แกก็เลือบเห็นขวามือในที่จอดรถแต่ตามกฎของโรงเรียนเนี่ยจะต้องจะต้องไปที่โวงเรียนก่อนแล้วก็ยูเทินกลับมาที่นี่จอดรถได้แต่แกขี้เกียจรอแล้วแกรู้ว่าถ้าแกทํางั้นเนี่ยที่จอดรถก็ไม่เหลือแกทงางานแกหักหักเลยเสียบเลยใช่ไหมเพราะว่ารถอีกคันหนึ่งเนี่ยซึ่งเร็งตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มาตามปฏิการเนี่ย ก็ไม่ได้ที่จอดรถและมันเหลือมันเป็นมันเป็นที่เดียวที่เหลืออยู่ผู้ปกครองคนที่ไม่ได้ที่จอดรถก็ลงมาลงมาต่อว่านายฐานคนนี้นายทุกคนแกก็ถามพูดกันมาว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครอ่ารู้ไหมคุณรู้มผมเป็นใครผมไม่รู้ละคุณทําไม่ถูกคุณทําผิดกติกาคงต่อว่าเป็นพักใหญ่แล้วแกก็เดินกลับไปที่รถ ในทางคนนั้นเนี่ยมีปืนอยู่ในรถคว้าปืนมาลงจากรถแล้วก็เดินตามเดินตามผู้ปกคอรองนั้นไปนะบังเอิญเนี่ยมันมีพนักงานขับรถโรงเรียนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แล้วแกเป็นแกเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นพลเมืองดีแกรู้ว่าถ้าไม่ไม่ทำอะไรเนี่ยสายเกิดเรื่องแน่ต้องไปห้ามแต่ว่าการห้ามเนี่ยนะมัน มันก็มีหลายเคสใช่ไหมที่คนห้ามเนี่ยเจ็บหนักเองใช่ไหมใช่ไหมจะไปยิงเขาเนี่ยนะถูกห้ามเนี่ยก็ยิงคนห้ามแทน <c oughs> ความโกรธมันขึ้นเป้าขอให้มันได้ระบายเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติของความโกรธแล้วพนัก ง, งานคนที่แกแกมีแกเป็นคนมีอีคินะแกอาจจะความรู้แกไม่สูงแต่แกแกเป็นคนที่เข้าใจคนแกไปถึงแล้วก็ส แตเอามือแตะเบาๆที่ตัวแล้วก็บอกว่าคุณพ่อครับคุณพ่อมารับรูกไม่ใช่หรือครับโอ้โหเท่านเนี้ได้สติเลยชะ ง, งักเลยความกลัวหายเลยรู้ตัวเลยว่าตัวเองกาลังทำอะไรนะหันหลังกลับเลยเก็บปืนคือตอนนั้นเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะ ตอนนั้นเนี่ยไทยทาผู้สาวเรียกว่าไม่รู้ตัวลืมตัวนะถึงแม้ว่าเดินถูกทางเนยนะคือลืมตัวนี่หรือหรือหลงนี่ไม่แปลว่าเมาหรือสลบนะบางทีขับรถถูกนะหรือว่าฟังรู้เรื่องนะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันหลงนะความโกรธมันคล้อมานเลื่อนหลงในอารมณ์แต่พอมีคนมาแตะเราไม่พูดเนี่ยพูดถึงลูก พ่อเนี่ธรรมชาติพ่อเนี่ยพอพูดถึงรูปปุ้นมันได้สติเลยใช่ไหมถ้าบอกอย่าครับท่านครับอย่าครับอย่าครับนี่ตายนะ่ะคนเมืองดีเนี่ยเคือเพราะว่าการพูดอย่างเงี้ยมันมันก็จะเป็นคนละพวกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคือคือคือต้องการชี้เห็นว่าธรรมาชาติของอารมณ์ ค, ค, คือคือความโกรธเนี่ยก็ตามเนี่ยความกลัวก็ตามเนี่ยจุดหน่อยของมันคือ การรู้ทันถ้าเรารู้ทันเนี่ยนะมันดับบููไปเลยตอนนี้ตัวอย่างที่พูดมานี่ก็คือทำยังไงอย่างเงี้ให้เขารู้ทันนะคือทํากันไงให้เขามีสติรู้ตัวแต่คราวนี้พวกเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะแบบนั้นเนี่ยสมมติเ ร, เ, รเราเป็นผู้โกรธผู้ผู้ผู้โกรธเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งให้คนมาเตือนสติเราก็หวังได้ยากนะ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักมีสติของเราเองที่จะรู้ทันอารมณ์ได้ไวไม่ต้องรอให้ใครมามาช่วยไม่ค่อยไม่ต้องรอ ใ, ใครมาทักเพราะถึงตอนนั้นถ้าเรารอเร า, า จ, จะทำอะไรในทางที่เลวร้ายไปแล้วก็ได้อาจารย์ครับอยากรเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของอการรู้สึกผิดหรือการขอหัวสิทธิน์ถะ้คนเราที่ก่อนก่อนที่เราจะตายไปเนี่ยเราควรจะ ขอหัวสี่หรือว่าเราก็จะจัดการกับสิ่งที่เรารู้สึกผิดยังไงหมายถึงว่าการให้ให้คนอื่นที่เราทําผิดด้วยเนี่ยให้อภัยเราตานองเดียวกันการให้อภัยตัวเองด้วยเนี่ยมันมีมันมีหลักการยังไงทางทางพุทธศาสนาว่าถ้าเราตายไปโดยที่เราไม่เคยเรายังเก็บไอาความรู้สึกผิดเอาไวา้หรือว่าเรายังไม่เคยได้รับการให้อภัยเนี่ยมันจะเป็นยังไงสําหรับการตายตรงนั้นคะคือ ถ้าตายด้วยารู้สึกผิดนะอาบายไปอาบายอันนี้มีตัวอย่างเยอะในพระไตรปิฎกไม่มีเวลาพูดนะรู้สึกผิดเนี่ยจิตมันเป็นอกุศลมันก็ไปอาบายนะ <c oughs> หรือบางทีเนี่ยก่อนตายจะกะ็จะ ก, กระสรับกระสายทุรนทุรายบางเรื่องเนี่ยห้าสิบปีแล้วนะห้าสิบปีเนี่ยเราเชื่อเราเราลืมมันหรือเรากดมันได้แต่ว่าที่จริงเนี่ยถ้าเราไม่จัด ก, การมันดีๆนะมันก็จะโผล่มา วิธีถ้าพูดจันทร์ส้าง่าคือว่าขอขอโทษการขอขามาซึ่งมันจะง่ายถ้าเกิดว่าเ้ายังมีชีวิตอยู่แค่ขอโทษแขาเนี่ยแล้วใครหา ใ, ให้อภัยเราเนี่ยมันรุ้มเลยหลายคนที่ตาค้างเนี่ยนะจะตายก็ไม่ยอมตายที่นี่พอมีพอมีรุ่ น, น้องมาหาก็บอกขอโทษที่ทำไม่ดีกับเธอเพราะเข้าใจว่าเธอเป็นกิจกับสามี ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็บอกไม่เป็นไรที่หนูเข้าใจพี่หนูให้อภัยพี่พอได้ยิงเนี่ยแกก็สบายใจแกก็หลับตาได้แล้วก็วันนั้นแกก็ไปนะคือถ้าเขาอยู่เนี่ยมันจะง่ายือขอโทษไอ้ที่ปัญหาคือเขาตายไปแล้วใช่ไหมตายไปแล้วเนี่ยเอออันเนี้ยไอ้ต้อง ต้องทําเอต้องถ้าเรายังพอมีเรื่องมีแรงนะเขียนจดหมายถึงเขาหรือเชิญเข้ามาเชิญเข้ามามันก็บอกเขายังเชิญเข้ามาหาเราแล้วก็พูดทุกอย่างที่เราอยากจะพูดบางทีก็เป็นก็ก็เป็นแม่เราบางทีก็เป็นพ่อเราบางทีก็เป็นเพื่อนเราเชิญเข้ามาและหลายคนเนี่ยทำแล้วดีขึ้น อันนี้และวิธีนี่จะทำได้ดีนะมันต้องตอนที่เรายังไม่ป่วยพอถ้าเราปร่วยแล้วเนี่ยมันมันขรุขัะไปหมดเลยแต่ว่าประเด็นที่สำคัญนะมีอะไรที่ที่ที่ที่ผิดภาพไปเนี่ยเคลียร์ให้มันเสร็จพอถ้าไม่เคลียร์ให้เสร็จเนี่ยตอนจะตายจะตายไม่ได้เพราะมันจะมารบ ก, กวนจิตใจและหรือไม่ก็ ทำให้หรือหรือถ้าก็ว่าเราไม่มีถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่รู้จะทายังไงเนี่ยให้มีสตริรู้ทนันความรู้สึกผิดไหรู้ระหว่างรู้ระว่างเจตมะบอกเนี่ย ล, ลุกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งเนี่ยรวมถึงอันนี้ด้วยละทุกสิ่งก็คือละไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่รวมถึงอารมณ์อกุศลที่มันรบ ก, กวนจิตใจเราก็ต้องละด้วยละด้วยมีสตริรู้ทนัน ก็เขาเาเาเาเตือนเราต้องละลรอกการละอาจารย์เนเราละแล้วมันก็ยังยังสำคัญอยู่แล้วก็ยิ่งสำคัญดยเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความรู้ความฉลาดเนี่ยมันไล่กันเพราะว่าติวหนักกันติวหนักกันนั้นเลยใช่ไหมปีละพันชั่วโมง เด็กไทยเรียนหนักนะแล้วพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคิดเหมือนกันคือว่าทำงานให้เด็กเนี่ยมันมีความรู้เยอะๆนะดังเด็กเนี่ยเด็กรุ่นรุ่นหลันเนี่ยถ้าพูดถึงความฉลาดเนี่ยนะมันจะไล่ๆกันแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างกันเนี่ยก็คือความรู้จักอดทนความรู้จักรอคอยได้ไหมนะเพราะว่าเดยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่สนใจตรงนี้นะ แล้วต่วมาคิดว่าแม้กระทั่งคนที่อยากจะให้ลูกเนี่ยนะได้ได้ประสบความสำเร็ชีวิตแบบกระแสตู้ทั่วไปนะก็คือว่ามีเงินดีงานดีนะแม้เพียงแค่นี้เนี่ยไอการรู้จักคอเนี่ยก็สําคัญมากซึ่งมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยมองข้ามเพราะเดี๋ยวนี้พ่อแม่นี่ก็ไม่มีเวลาให้ลูกลูกอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ให้ทันทีเพราะว่าเพื่อชดเชยชดเชยที่แม่มีเวลายลูกก็ชดเชยด้วยสิ่งของใช่ไหม กลัวลูกจะน้อยใจว่าลูกว่าแม่ไม่รักพ่อไม่รักก็ให้สิ่งของไปแล้วก็สิ่งที่ให้เนี่ยมันก็เล่นแต่ไม่สิ่งที่มันต้องใช้มันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดใจความใจร้อนเช่นโทรศัพท์ iPad ดไอพฟนเนี้ยมันมันเร่งทําให้เด็กเขาเขาคอยไม่เป็นแล้วเขาไม่รู้จับยับย่างชั่งใจไม่รู้จักคําว่าผิดหวังไม่รู้จักคําว่าเออไม่ได้อย่างที่ต้องการ ซึ่งมันจําเป็นนะเด็กบางทีก็ต้องฝึกให้เขาได้เรียนรู้กับความผิดหวังนะเพราะว่ามันใช้ไม่ค่อมีภูมิคุ้มกันเด็กต้องเขาให้เขารู้จักความยากลาบากเพื่อเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันก็เหมือนกันจะให้เด็กมีภูมิุมกันโรค ก, ก็ต้องให้เติมเชื้อโรคเข้าไปในในร่างกายผ่านวัคซีนนะพอเด็กได้เชื้อโรคที่อ่อนๆเนี่ยเดยกก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคนั้นดังน้นเราต้องให้เด็กเนี่ย เข้มแข็งเนี่ยก็ต้องให้เด็กเขาเจอความยากลำบากบ้างเขาจะมีภูมิคุ้มกันของยากลำบากถ้าเราอยากให้เด็กเขาเขาอา่รู้จับอดทนรอคอยก็ต้องให้เด็กเขาเจอความผิดหวังบ้างแล้วก็คิดว่าเออมันเริ่มต้นใหม่ทำใหม่อาตมาคิดว่าเนี่ยถึงเป็นสนนะี่ําคัญนะที่ว่าจะต้องมีเพราะว่ากระแสะปัจจุบันเนี่ยมันมันลเลยตรงนี้ไป ชีวิตบุรุษชนอย่างเงี้ยค่ะก็ mm hmm. จะมีเรื่องยากเยอะแยะเลยค่ะความโฟร์ดความเศร้าตาอะไรเงี้ยค่ะอยากจะทราบว่าของพระอาจารย์เนี่ยค่ะทุกวันนี้มีเรื่องอะไรที่ยากสําหรับพระอาจารย์ไหมคะยังมีอยู่เรื่อยๆนะมันก็ต้องมี อ, าอ้าว่ทุกอย่างของพระอาจารย์ต้องมี<า> <ๆ S 1> ใช่อา้าวไม่ใช่เดินทยไมตาทุกวันนี้ก็ยังยากอยู่ใช่ไหมการตื่นนอนเช้าตื่นสี่มาทำวัดก็ยังเป็นเรื่องย า, ากอยู่ เพราะบางวันนี่ยบางวันนี่มันก็โอ้โหบางวันแล้วก็เพลียมาคือไม่ใช่แลโอ้แล้วนิ่งนขนาดแค่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันทีวิ่อย่างเช่นการบรรลุ ก, การบรรลุธรรมเนี่ยากกยากเข้มงา่เลยการบรรลุธรรมนี่ไม่ง่ายนะใช่ไหมยังยากอยู่การชนะ <ไป S 1> กิเลส น, นี่ยังยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้าเป็นถ้าเป็นโยมบุตรชนก็จะยากโอเคงั้นฉันไม่เอาแล้วฉันหนีแล้วพระอาจารย์ทำยังไงคะที่จะ ยังคงเส้นทางที่จะผชนประจรความยากเนี่ยคือมันต้องเห็นคุณค่าของจุดหมายที่เราจะจะไปให้ถึงว่ามันมีคุณค่ายัางไงบ้างเช่นเราเชื่อเรื่องนิพพานเนี่ยเราเชื่อว่านิาพพานมีประโยชน์เราเชื่อว่าความยากลําบากมันมันทำให้เราเข้มแข็งใช่ไหมต้องเห็นคุณค่าของมันก่อนและขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราเริ่มลงมือทําเนี่ยธรรม า, ออา จ, จะให้ความสมดุันกับ ปัจจุบันขณะคือจุดหมายอยู่ข้างหน้าแต่ว่าถึงเวลาเดินเนี่ยจุดหมายอยู่ที่ปลายท้าใช่ไหมเวลาเดินทานําอยถาตาเขาบอกคนเดินว่าเนี่ยจุดหมายอยู่ไกลให้ใจอยู่กับปัจจุบันนิพพานอยู่ข้างหน้าแต่ว่าให้เราเนี่ยใส่ใจกับปัจจุบันใช่ไหมถ้าเราไปไปใจเราไปจดจ่อเป้าหมายมันท้อนะยิ่งเป้าหมายสูงส่งเท่าไหร่ในยิ่งบางทีทอ้อ ยังมีนักปีนเขาหนังสือตำาเนี่ยกทอบยกตัวอย่างเนี่ยโรสเคิร์บีเนี่ยก็เป็นนักปีนเขาที่ผ่านเขาสูงที่สุดทุกทุกลู่มาแล้วทุกทวีปรวนทักเอเวเรสด้วยแกบอกว่าประสบการณ์การปีนเขาของแกนี่ที่นานนับสิบปีมันมันสอนจะว่าทุกอย่างเนี่ยดูน่ากลัวกว่กาใไปยินเสมอเมื่อมองจากที่ไกลหมายความเมื่อเขามองเนี่ยยอดเขาเนี่ยถ้าเขามองจากตีนเขาเนี่ยขอนสู้มันยากมากเลยซึ่งบางครั้งเขาสึกท้อ ขณะเขาชอบปีนเขานะ่ยบางทียงสุดท้อเพราะว่ามั น, มนยากเขาพบว่าวิธีปินเขาศิลปะการปรีนเขาที่ง่ายสุดนะที่เขาพบคือว่าสนใจพื้ น, นดินใต้ฝ่าเทา้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวง่ายไหมใส่ใจกับพื้ น, นดินที่เราเหยียบอยู่นะแล้วก็เดินไปทีละก้าวถ้าเดินไม่หยุดนะถึงแน้่ใช่ไหมคือเนี่ยเนาเยกว่าจุดหมายอยู่ไกลแต่ใจอยู่ปัจจุบัน เวลาเราเวลาเราพูดถึงว่ามันยากยากเราไปมองที่จุดหมายแต่ถ้าแม้มองปัจจุบันเนี่ยแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เดิ น, นมันไม่ยากนะใช่ไหมขอให้เดินไม่หยุดและมั่นใจว่าเดินถูกทางซึ่งต้องอาศัายการวางแผนนะก่อนที่บูสเคอรบ์บจะเดินปีนขาก็ต้องวางแผนแล้วก็จะเดินเส้นไหนนะใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วถึงเวลาเดิ น, นยังเขาจะสนใจแค่พื้นนึงที่เขาเหยียบแล้วก็เดินไปทีละก้าว อันนี้มันคล้ายกับผู้ชายคนนึงเะเขชื่อฟิอลิปเบอร์ตีเออดูหนังเขาค้เออเขาเขามีความใฝันว่าเมื่อตึก World, World, World Trade Center สร้างเสร็จเขาอยากจะเป็นปีนปีนเขาอยากจะเทตไายรวดที่ขึงระหว่างยอดตึกสองตึกฝึกแฟนะ แล้วพอตึก World Trade c e n t เ r เนี่ยสร้างเสร็จปีพันกรเจ็ดสิประมาณนี้ เ, นเขาก็แอบเข้าไปเข้าไปในตึกนั้นเนี่ยตอนตอนอยังคืนแล้วก็เช้ามือเขาก็ถึงเชือกเชือกสลิงนะเป็นลวดระยะห่างระหว่างยอดตึกสองตึกประมาณสองร้อยเมตรได้ไม่ถึงสองร้อยเมตรประมาณสังร0อยเมตรมันตึกนั้นเนี่ยสูงจากพื้นเนี่ยสี่รอยเมตรตกมาก็ตาย พอเขาเดินไปได้สักพักเนี่ยคนที่อยู่ข้างล่างเห็นเพราะมันชาวก็ไปเรียกตำรวจมาตำรวจก็ยืนคอยเขาอยู่ที่ปลายเชือกพอเขาเดินไปใกล้ตำรวจเขาก็ไม่อยากให้ตำรวจจับนะเขาก็หันกลับแล้วกกลับไปเดินใหม่ที่ ด, ดูนะเขามีแค่แค่มีแค่ไม้นะและเดินบนเลือดบนลวดซึ่งตกมาตายแต่เขาเดินไปกลันเนี่ยเจ็ดเที่ยว สี่สิบห้านาทีบางทีเดินเหนื่อยเขาก็เขาก็นอนมันมีทำเป็นหนังนะที่ The Walk มีทั้งหนังสารกด็ดีแล้วก็หนังโรงด้วยหนังโรกงปีที่แล้วนี่หนังดีมากนะเขาสุดท้ายก็พอก็เบือ่อแล้วเขาก็เขาก็ลงให้ตำรวจจับพูดสื่อขาก็ไปสัมภาษณ์ว่าเนี่ยคุณทำได้ยังไงนะว่าผมไม่ได้ทำอะไรมากผมก็แค่สนใจว่าทำไงจะให้เท้าซ้ายมาไปอยู่หน้าเท้าขวา ทีละเก้าทีละเก้าและให้เท้าขวาอยู่หน้าเท้าซ้ายเขาไม่ได้สนใจไปจุดหมาย <c oughs> คือยอดตึกเขาสนใจแค่แต่ละเก้าซึ่งจะเป็นวิธีเดียวกับเอ็กซ์เบี้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คือของอยากเนี่ยมันทําให้ง่ายได้ด้วยการที่คุณสนใจแต่ปัจจุบันแต่ละขนาดแต่ละขนาดเดินปีนเขานี่ยากนะขึ้นเขาเดินเดินแบ บ, บเออเออเอเอ ฟิลิปปินนี่ก็ยากเลแต่ว่าวิธีการเขาง่ายมากสนใจแต่ละบก้าแต่ละบก้าแต่ละบก้ า, กาอัตมาชื่อเพื่อบางทีเนี่ยชีวิคนเราก็ไม่ตายจากไอ้ฟิลิปปินนะคือชีวิเราเนี่ยมันเดินอยู่บนเส้นรวดนเราทุกคนเนี่ยไตรุ่นนะคือถ้าเราพลาดก็ตายนะเพีงแต่ว่าที่ผ่านมาชี่ิเราอยู่ได้เพราะเราไม่พลาดไงจ่มา แต่ถ้าเราพลาดเช่นเอาง่ายๆคุณเดินคุณเดินลงบนนันไดถ้าคุณเดินพลาดคุณก็ตกลงมาอาจจะขิการหรือข้อหักคุณเดินอยู่ในห้องน้ําเนี่ยถ้าคุณเดินพลาดหัวอาจจะพลาดพื้นใช่ไหมขับรถเนี่ยถ้าลำในแค่วินาทีเดียวก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุชวิตเราเนีบางทีมันเหมือนกับคนที่เดินเดินไตรุวด น, นะหมายความว่าเราตายได้ทุกเวลา แต่เราไม่เ ร, เราไม่เราไม่ตันหนักแค่ น, นั้นเองว่าจริงๆแล้วเราตายได้ทุกเวลาเคยดีนพระสิทธ่เบรบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนเคยดีเห็นไหมคือคนไปคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ก่อนแล้วค่อยชาติหน้าแต่ที่จริงเนี่ยอาจจะไม่มีไม่มีพรุ่งนี้สําหรับเราก็ได้วันนี้คือวันสุดท้ายพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยก็ได้ใช่ไหม ถ้าเราพลาดถ้าเราไม่มีสติเราเดินเราเดินข้ามถนนไม่มีสติเราเดินลงบันไดไม่มีสติใช่ไหมเรากินอาหารไม่มีสติเนี่ยก็ตายได้เป็นชีวิเรานินในแง่มันเหมือนกับเดินอยู่บนเส้นลวดตลอดเวลานะอที่ปรนปฏิพูดเนี่ยเรา่ามันสอนใจเราได้มากเลยใครไมได่ดูก็ไปดูซะนะแต่ไม่รู้เขาเขาเขาพูดฉากนี้นะเขาเขาพูดตรงนี้หรือเปล่านะไ ม, ไม่ได้พูดใช่ไหมเขาจะเขาจะ ก็จะเชื่เรื่องความน่าตื่นเต้นและน้าหวาดเสียวมันทําให้หนังมันทําให้ดูหวาดเสียวอยู่แล้วผมมันกล้าได้งไงวเนี่ยใช่ไหมแต่นี่คือคือสิ่งที่เปตีพูด น, น, นะซึ่งมาว่าเออสอนธรรมะได้ดีใช่คะแล้วคุณค่าที่ปลายทางของอาจารย์คืออะไรคะก็นิพพานนิพพานไงสูงสุดแต่ที่อยากกว่านิพพานคือทําให้ประเทศไทยมีความรักสามัคคีกัน ไม่แน่หรอกนะคนไทยมีความรับผเกี่ยวกับ ง, ง่ายกว่าก็ได้พระอาจารย์คะอะไรที่ทำให้เราวางใจในความตายเช่นพระอาจารย์ทำงานเกี่ยวกับความตายมาเป็นสิปีเงี้ยค่ะจริงๆทุกคนต้องกลัวตายนะคะเห ม, มือนกับพระอาจารย์เห็นความหมายของชีวิตเลยไม่ได้รู้สึกว่าทาตายเนี่ยเป็นสตรูงขงเร ขพจระความหมายเชื่อคือการลดละลดละอัตตาตัวตนแล้วก็หรือว่าเอาพูดสุดเันสุดก็คือหมดทุกชีวิตเนี่ยนะถ้าพื่อยาวหน่อยก็อย่างที่อาจารย์พุทธาพูดสงบเย็นเป็นประโยชน์ แล้วก็พบ ว, ว่าพ อ, พอเราพอเรามีความพอเรามีความพอเรามีเป็นคุณค่าหรือความหมายชีวิตแบบนี้เนี่ยเราต้องไปจุดหมายด้วยเนี่เราพบว่าความความตายเนี่ยมันมันเป็นตัวเล่งให้ที่ดีที่ทําให้เราเนี่ยอไปถึงจุดนั้นหรือความตายเป็นตัว ก, กระตุ้นให้เราเนี่ยพยายามทำตรงนี้ให้ได้ม า, มากๆเพราะว่าถ้าเร า, ย, ายังไม่ยังไม่ลดกิเลสยังไม่ลดรากษาตัวตนเนี่ยความตายจะน่ากลัวมาก แต่เมื่อก็ตามที่เราลดรากฐานตัวตนเนี่ยความตายจะน่ากลัวน้อยลงเราจะกลัวตายน้อยลงยิ่งถ้าถ้าหมดไปเลยทั้งหมดกี่เลยไปเลยเนี่ยก็ไม่หมายถึงว่าอย่างที่เราพูดท่าตายก่อนตายคือตัวกูมันตายเนี่ยมันก็จะไม่กลัวตายเลยคือเวลาเวลาเวลาอะไรมาพบว่าเนี่ยไอ้ความ ความกลัวตายเนี่ยมันตัวเป็นตัวเล่นทําให้เราทําความเคียด mm hmm. นะอาตมาเนี่ยสนใจเรื่องนี้เพาะกลัวตายนย mm hmm. อะอกลัวตายไงแต่ว่าประสบการณ์แตกต่างจากการจากคุณหญิงคือกลัวตายเพราะว่าเป็นคนที่รุ่คสิบสี่ตุลาเนี่ย mm hmm. ลาศิษย์ตุลาเนี่ยมันมีการรอบฆ่าคนเนยอะ mm hmm. ใช่ไหมคนก็ตายไปทีละคนสองคนทุกรอบฆ่า คือพวกฝ่ายซ้ายซึ่งถึงแม้เราไม่ใช่ไม่ใฝ่ายซ้ายเนี่ยแต่ว่าบางทีเรามีความรู้สึกร่วมของเขาประท้วงประท้วงประท้วงภาษาประท้วงที่ธรรมศาสตร์ก็โดนระเบิดเข้ามาคนตายมีการยิงปืนใส่ผู้ชุมนุมแล้วเราก็คิดเอ๊ะถ้าเกิดมันเราโดนเราเนเราก็คอยประท้วงใช่ไหมไอ ي, ตอนที่เกิดสิบสี่ตุลาเนี่ยเราไม่เคยกดเราไม่ค่อยคิดเนะท่าไหร่นะแต่ตอนที่หลังจากสิตุลานเนี่ยเราไปประท้วง ใช่ไหประท้วงประปรบธาตเข้าข้างเมืองไทยเนี่ยเขากมันก็ถึงิงแดงก็ด้ระเบิดเข้ามายิงปืนใส่เข้าไปในธรรมศาสตร์เนี่ยให้เราคิดว่าถ้าเราถ้าเราเจอเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วมีคาบหนึงไปไปบ้านซ่องปีหนึ่งแปดเนี่ยไปทําไปทาเรื่องราวเกี่ยวกับกรมจิ๋ทองรี่จักกรมจิ๋ทองไหอนะรู้จักใช่ไหมเออฮะเป็นทศเป็นเป็นอาจารย์อาจารย์ครุศาสตร์ แกจบแกจบจุฬาแล้วแกไปถูกฆ่าตายที่บันซ่อง mm hmm. นะไม่มีใครรู้ว่าแกตายเพราะอะไรแต่ตอนนี้ก็รูแ mm hmm. ้แล้วคอมมิวนิสต์ฆ่าแล้วเราก็ไปทำอะไรที่แกตายสี่ปีก็ไปทําก็ไปสอหาเรื่องราวของแกว่าแกไปเขียนบทความเกี่ยวกับแกก็ mm hmm. ตอนทําหนังสือแล้วก็ไปเลยไปจุดที่แกเคยไปนะแล้วก็นึกภาพวันนี้ถ้าเราเป็นอย่างแกนี่เราจะทำยังไง ก็กลัวลใไหมคกลัวคือนึกถึงความตายในยสายที่มันปกตินั่นแหละไม่เหมือนประเทศคุณกำลังสีพูดเนี่ยมันเป็นความตายธรรมชาตนะิส่วนใหญ่แต่ถ้ามาพูดถึงความตายที่มันติดปกติมือถูกฆ่าแล้วเราก็กลัวใช่ไหมแล้วชีวิตเราเนี่ยเป็นแอคทีฟิสต์สมัยนั้นเนี่ยมันก็ถึงแม้เราจะไม่ใช่ซ้ายเนี่ยก็มีโอกาสกลวก็มีโอกาสตายก็มีโอกาสใกล้สตอน6กุมภาพันเนี่ย<ม>ซึ่งรอดมาได้ใช่ไ<ม>เราก็เสโหเนี่ หลาวิธีที่จะทําให้เรากลัวตายคือต้องปฏิบัติทำใช่ไเพรานความความกลัวตายที่ดีนะมันทําให้เราเนี่ยมันเขย่าเนี่ยที่เรารย์พูดเม่ช้ามันเขย่าทําให้เราเนี่ยเฮ้ยจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะมันต้องทำอะไรสักอย่างนะนะก็เลยปฏิบัติทำนะปฏิบัติทำก็แล้วก็เอ่อมันก็มันก็ช่วยจนถึงจุดที่เราว่าเออวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราย่ารับความตายได้มากขึ้น ก็คือการพิจารณาตุงความตายรวมทั้งการที่ไปช่วยคนใกล้าตายอย่าเงี้ยซึ่งก็ทําให้เป็นตัวเล่งทําให้เราเราเราขยันน่ะเพราะงั้นเราก็เช่วยแชรใช่ไหมอาจารย์คิดถึงหมอเนี่ยความตายเป็นเป็นครูที่ที่ดีเป็นครูที่ดูความตายเป็นครูที่ดูที่มันคอยเขี้ยวเข็ญให้เราเนี่ยอย่าอยู่นิง่งอย่าอยู่เฉยอย่าชะลาดใจอย่าประมาท นั้นก็เลยใช้ความตายเป็นเ ป, น, เปนตัวเป็นตัวร้ายเป็นตัวผัดเป็นตัวคขีอยาให้เฮ้ยอย่าสบายมากไปนะถ้ายังถ้ายังไม่ไมกินเลยจะไม่ลดตายจะไม่ลานี่มันก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยแงก็ดีไหมอย่าเงี้ยความตา ย, ยนะามีประโยชน์นะมองความตายที่บังเกินะไม่งั้เราเฉยนะเฉยชาเช่าชาญยมชามเนะี่ย น, นใช้ความโกรธตายเป็นประโยชน์นะความโกรธตายไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีถ้าถ้าเราใช้มันเป็นทุกอย่างนะมีประโยชน์ทั้งถ้าเราใช้ให้เป็นเนะี่ยอาจารย์อนที่จรพิจารณาอตรงนั้นสารประชาราเรื่องเรื่องความตายทางทา ง, ทางด้านศาสนะนาอะไรนะพิจารณานะที่ว่าเรื่องความโกรธตายแล้วทำยังไงม่นคุ้มชิ ก็ไม่คือไม่ได้ถามว่าโดยตรงไหมก็ก็โดยตรงแต่ไม่ได้ทำเรื่องเดียวสนใจเรื่องอื่นด้วยหมาถึงเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะนะแต่พระบาตรทุกอย่างมันมันสอดคล้องกันมันไปด้วยกันเช่นการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติคือทําให้่สนใจเรื่องความตายเนี่ยตมาสนใจเรื่องความสุขด้วยนะบางคนมาคิดว่าตมาพูดถในเรื่องความตายที่จริงหนังสือตมาเนี่ยเป็นเรื่องความสุขเยอะนะแล้ความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้อง อาทิจจัยและสิ่งที่ช่วยทำให้เราเข้าถึงความสุนติใจก็คือการปฏิบัติการเจริญสติมันก็ไปสอดคล้องไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความตายศึกษาเรื่องธรรมชาตินะธรรมาก็ชอบเรื่องธรรมชาติมันก็โยงทำให้เราเนี่ย เ, เห็นความตายในมุมที่สร้างสรรค์ด้วย เพราะธรรมชาติเนี่ยมันไม่มันไม่มีทางจะเจริญงอกงามถ้ามันไม่มีความตายเกิดขึ้นใช่ไหมต้นไม้มันต้องล้มมันต้องกลายเป็นปุ๋ยมันถึงจะเกิดเอดอกไม้พันธไม้ใหม่ๆขึ้นในธรรมชาติเนี่ยมันมีทั้งความตายและการการก่อเกิดใช่ไหมถ้าไม่ตายเลยจะมีปัญหาไอ้ป่ายูคาร์เนใบไม้เนี่ยมันไม่เสื่อมเลยมันไม่เน่าเลยเนี่ยต้นไม้ต้นไม้รอบใบพื้นที่รอบรอบรอบยูคาก็ไม่สวย แต่ว่าพื้นที่ในป่าตรงนีที่ที่มันที่มันมีอะไรพร้อมพรั่งสมบูรณ์เพราะมันเต็ไมไปด้วยความตายเกลื่อนอยู่ทุกตารางตารางนิ้วเลยใช่ไหมอั น, นี้เราก็เห็นว่าโอ้ความตายมันก็มี ม, มีมีคุณค่านะที่จริงในชีวิตเรานี่มีความตายเกิดขึ้นตลอดเวลานะทุกขณะเนี่ยรู้จักว่าความตายอยู่ในชีวิตเนี่ยทีแรกเราก็งงนละความแก่อยู่ในหนุ่มสาวเนี่ย แต่พอมาศึกษาเนี่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็พบว่าเทุกขนาดเนี่ยเรามีความตายเกิดขึ้นในร่างกายเราเซลล์เนี่ยในร่างกายเราตายวันนึ่งห้าหมื่นสาล้านเซลล์เป็นอย่างน้อยนะในร่างกายเรามีเซลล์มาล้านล้านเซลล์มันตายห้าหมื่นสาล้านเซลล์ทุกทุกวันทุกวันมันตายเพื่ออะไรมันตายเพื่อได้มีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นที่ดีกว่านะไอ้เซลล์ที่ตายคือเซลล์ที่มันแก่เซลล์ที่มันมันเสือ่อมมันมันผิดปกติ มันก็ตายมันเปิดช่องให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นถ้าไม่ตายางมีปัญหานะถ้าเซลล์ในร่างกายไม่ตายมีปัญหานะมันมีเซลล์ชนิดหนึ่งที่ทางทางแพทย์เขาตั้งสมมติฐา น, านาว่าเซลล์อามาตะเพราะมันไม่ตายเซลล์นั้นชื่ออะไรรู้ไหมคันนั้นคืออะไรรู้ัหมมะเร็งมะเร็งเนี่ยคือเซลล์อามาตะคือมัน มันมันจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆแบ่งไปเรื่อยๆแบ่งไปเรื่อยๆนะแม้เจ้าตัวตายไปแล้วนะเอาเซลล์นั้นเนี่ยเอานอเนื้อเยื่อนั่นออกมาเนี่ยมาเลี้ยงไว้ในในในหลอดเนี่ยหรือในจานเนี่ยมันก็ยังอยู่นะมันมีเซลล์เซลล์หนึ่งนะที่เขาเอามาจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อไฮเรตตาเป็นผู้หญิงผิวดำเป็นมะเร็งหมดลูก60ปีมาแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่และน้ําและ เว่าเนี่ยเซลล์ที่เกิดจากผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เกิดจากการคลอเนี่ยถึงวันนี้นะเวลาะค่ะรวมกันน้าหนักมีเท่าไหร่ดูม้าล้านตัน ไ, <ว>ไม่ใช่สตันนะห้<ว>ล้านตันแล้วมันไปอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ตามโรงพยาบาลอยู่ตามแ l a ต่างๆเนี่ยที่เขาขอไปอก็จะเซลล์ลายก็ยต้องเอาเซลล์ลฮเลตานเนี่ยแล็บโรงพยาบาลจุฬามหิดเนี่ยมีเซลล์ลของของฮอเฮเลตตาหมดแล้วก็มาทดลองทดลองว่า ทดลองไม่ใช่มันเล็งเนี่ยทดลองว่าเซลล์ของคนเราเนี่ยถ้าถ้าเจอสารอย่างนี้มันตาไหมเอาไปทยายาไงทำยานี่ยาธรรมดาเนี่ยยาแก้ย า, า ย, ย า, า ย, ย า, ายปลูกเอ่อยาแ ก, ก้โรคโนโรคนี้โรคท็อกซิคแรงตันเนี่ยลดทั้หมดเลยด้วยก็ใช้เซลล์ไล่เฮเลนตาแต่ตต ม, มันมีส0ประมาณสิบเซลล์ไล่นะแต่เฮเลนตาเป็นเซลล์นึงเขาประเมินเนี่ยปีเนี่ยล้านตันโอ้โหไม่ไม่ห้ตันนะเนี่ยมันไม่ยอมตายที่ดูเดน นันถ้าเราเนี่ยถ้าเซลล์าถ้าร่างกายไม่มีความตายขึ้นเนเราเละไปแล้วนะให้เราต้องขอบคุณความตายนะที่มันที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเรานะ <S <S 1> <S 1> อ่าเสร็จแล้วอ๋อเป็นไงอยากเดินหรือยังฮะมีแรงจูงใจอยากเดินฮะ อยากเดินไหมแต่ก็มเดินฮะคุยเรื่องนี้ะคุยเรื่องเดินใช่ป่ะครับอ๋อคุยเดินผมเบ้ด้วย่ะผมเ้ออยเ้ติดใจเออไปเลิศไปเดินจะทำใญติตาเปนะไรนะที่ชวยชัยูมีอะไรจะจะคุยสนทนา มีใครที่เพิ่งมาครั้งแรกบ้าง ม, มาเพราะอะไรอไ่ะ <c oughs> ก็มาทุกปีปีที่แล้วก็มาก <c oughs> ็สามีแม่อัญญาใช่แล้วใครที่มาเพราะสนใจเรื่องความตายบ้างอือเยอะนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ก็แปลกใเพราะปีที่เพี่ยนก่อนนี่ก็ทําเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยมีคนก็มีคนมาไม่มากเท่าปีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าเออ มามากเพราะอะไรกาาที่ว่าเราจะูคนทั่วๆไปที่ไม่ปฏิบัติรไม่ได้สนใจอะไรมากนักรงตายแบบเยสิที่จะเข้าให้่ายเขายอมรับความตายได้งขึ้นนะคะราจะพูดะมาบ้างก็คือว่าคนเราเนี่ยมันต้องตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ อะไรที่ที่ควรทำและยังไม่ได้ทาหรือยังทำไม่มากพอก็ควรจะรีบทำนะอันนี้เป็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือว่าใช้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอถึงเวลาจะตายก็มาเสียใจว่าไม่ได้ทำอย่างโน้นไม่ได้ทำอย่างนี้เช่ น, นไม่ได้ดูแลพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้เที่ยวด้วยซ้าทาแต่งาน นะแต่เที่ยวนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันก็เป็นรสชาติของชีวิตแต่ว่าอาจจะไม่ทําให้เสียใจมม้แต่กับว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้กับคนที่เรารักเลยนะอันนี้อย่างแรกเลยเนี่ยไอนน้สองคือว่าถ้าถ้าเขาถ้าเขาถ้าเข า, าเริ่มที่จะเข้าใจประเด็นนี้ก็ต้องคุยเขาต่อไปว่าเนี่ยคนอะไรนั่นไม่จะตายเนี่ยพร้อมตายหรือ ย, อยัง มาเราพร้อมถ้าพอเราไม่รวยจะตายของเราพร้อมตายมาอันนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยคือว่าเราใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันมีคุณค่าแต่ว่าสิ่งที่เรต้องคิดก็ด้วยก็คือว่าเราพร้อมพร้อมจะตายหรืยอยังที่ไม่พร้อมส่วนใหญ่ที่ไม่พร้อมตายเพราะ็ยังมีความห่วงอะไรอะไรพวกนี้เขาไม่คิดว่าเราแช่งเราอ๋อไม่ว่ า, า, วาเราพูด เขาอย่างเเราเคยเจอคนที่เขาเป็นมะเร็งเขาปฏิบัติทางมะเร็งมากแล้วพอในวารถุทายของเขาเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาไม่พร้อมอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาปล่อยวางแล้วแต่แต่อาการสิ่งที่เขาทำมาก็รู้สึกว่ายังไม่ปล่อยวางอนะครัอ๋อนี่เราไมเราไม่พูดคนที่กําลังจะตายแล้วพูดคนที่ยังยังสุขภาพดีอยู่นะเราคิดว่าเมื่อเราจะต้องเมื่อเราจะต้องตายเนี่ยซึ่งอาจจะเป็น สาปีข้างหน้าก็ได้เราได้เตรียมตัวเพื่อที่เราจะได้ฟอร์มตายไหมเพราะไมงานเนี่ยมันจะทุรนทุรายมากอย่างเรื่องการรับฟังนะคะที่อาจารพูดพูดบนเวทนะคะที่ว่าอาจารยว่าการรับฟังเราต้องฟังเต็มฟังเต็มนะคะฟังเต็มคือฟังเพื่อที่จะเข้าใจเขาไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะหาไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะไปโต้แย้งกับเขา สองเพื่อทีจะเข้าใจหนึ่งเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่สองเข้าใจว่าเขามีความรู้สึกอะไรอยู่ข้างในเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยหรือเข้าใจประเด็นของเขาเนี่ยอันนี้คือต้องใช้หัวนยเข้าใจความรู้สึกของเขาเนี่ยมันต้องใช้ใจวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเราเข้าใจสองอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเออ คือเพียงแค่เราเข้าใจเขาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเกิดการเชื่อมต่อเกิดความไม่วางใจกันมากขึ้นพู้นัคือเกิดความเป็นเพื่อนเพราะถ้าเขารูสว่าเราไม่เข้าใจเขาเนี่ยเขาก็ปิดเขาจะไม่ฟังเราแต่เขาถ้าเขารู้ว่าเออเราเข้าใจเขาเขาก็รู้สึกเปิดใจแล้วเขาอยากจะแชร์มากขึ้น แล้ในรอยตัวกันเขาก็จะเปิดใจฟังเรามากขึ้นด้วยแต่ว่าเพราะนั้นในการฟังมี่สำคัญ แ, แต่ส่วนใหญ่นี่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาได้ยินใครพูดเนี่ยก็จะก็จะแย้งอยู่ในหัวโดวยเพราะจะเป็นคู่กรณีหมอวิธาเนี่ยเคยเคยเคยไปทำคอร์สนะ พิธานเนี่ยพิทานธนวุฒิเนี่ยแล้วก็ก็พูดเรื่องเนี่ยเรื่องการแก้ไขความขัดแยง้งผู้เรื่องการฟังแล้วก็บอกขอขออาสาสมัครคู่หนึ่งที่มีคู่ที่มีกรณีกันก็ได้มาชายหญิงผู้หญิงเนี่ยเป็นหมอฟันผู้ชายดีเป็นผู้ช่วยหมอฟันก็จะอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ น, น, นะคุณหมอวิทานก็ให้มานั่งอยู่หน้าฉันสาธิต แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะให้ทำอย่างนีงนะคือให้แต่ละคนเนี่ยผัดกันเล่าว่าไม่พอใจอีกฝ่ายอย่างเรื่องอะไรคนพูดก็พูดไปให้เวลาสามนาทีคนฟังฟังอย่างเดียวแล้วพอฟังเสร็จก็จะต้องบรฟจะต้องเล่าว่าที่มกิจได้ยินมาได้ยินมาว่ายังไงถ้าหากว่า คนพูดเนี่ยรู้สึกว่าคนฟังเนี่ยเขาเขาสรุปถูกก็พยักหน้าถ้าไม่ถ้าสรุปไม่ถูกก็ต้องพูดใหม่จนกว่าคนพูดเนี่ยจะพอใจว่าเนี่ยไอ้คนฟังเนี่ยสรุปถูกก็เริ่มต้นด้วยการให้ผู้ช่วยเนี่ยพูดก่อนว่าไม่พอใจหมอเรื่องอะไรนะ หมอฟังพอพูดจบตั้งสามนาทีหมอก็สรุปว่าเนี่ยที่คุณไม่พอใจชั้นเนี่ยเรื่องนี้ใช่ไหมหนึ่งของสามสรุปนะพูดสามนาทีอาจจะสุดแค่หนึ่งนาทีก็ได้ผู้ช่วยบอกว่าสรุปถูกอาก็สลับไปคราวนี้ก็ให้หมอเนี่ยพูดว่าไม่พอใจผู้ช่วยเรื่องอะไรผู้ช่วยฟังจบพอพูดจบผู้ช่วยก็สรุปสรุปไม่ถูกใช่ไหะ หมอพูดใหม่ก็พูดเหมือนเดิมแต่กระสุดไม่ถูกตนกรนทั่งครั้งที่สามเนี่ยถึงจะสรุปถูกใช่หไหแต่เราก็มานั่งคุยกันว่าเนี่ยเป็นยังไงกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยหมอฟันก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจผู้ช่วยมากขึ้นแล้วก็บอกว่าบอกดิสมัมาถ้า ถ้าตัวเป็นผู้ช่วยี่ก็คงจะไม่พอใจอย่างผู้ช่วยเหมือนกันครั้ น, นี้ก็ถามผู้ช่วยก็ถามว่าทําไมเนี่ยถึงสรุปไม่ถูกต้องสรุปถึงสามครั้งแกก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่หมอพูดเนี่ยแกคิดแต่จะเถียงแกคิดแต่จะเฉียงแกคิดแต่จะโต้แย้งเนี่ยเพรธรรมชาติคนเราเนี่ยพอใครพูดอะไรมาเนี่ย ว่าเขาไม่ชอบเราอย่างโน้นอย่างเงี้เราจะรีแ อ, อคทันทีไม่จริงใช่ไหมแยง้งอย่างเงี้ยนะอันนี้เราไม่ฟังเนี่ยคืออากัศวิญญาณดูเหมือนฟังพราะฟังรู้เรื่องเนียว่าเขาพูดอะไรอ่ะแต่ว่ามันฟังได้ไม่ไม่คดบถ้วนพราะอะไรคิดแต่จะแยง้งฟังก็คือว่าฟังโดยที่ไม่แยง้งฟังด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางนะตรงเนี้ยอันนี้เรียกว่าฟังเป็นแต่คนสุญญ์เนี่ยได้ยิน แต่ไม่ได้ฟังไงใช่ไหมแล้วก็นี่คือก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคู่กรณีนะเวลาเวลาทะเลาะกันแม้กระทั่งคนใกลนะ้เนี่ยที่น้องผัวเมียเนี่ยบทีก็ก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าจริงๆไม่ได้ฟังกันเพราะว่าฝ่ายหนึ่งคิดแต่จะแยง้งฝ่ายนึ่งพูดีฝ่ายหนึ่งแยงนะ้งในใจเนะี่ยมันมีใครฟังมันก็มีใครฟังเห <Okay. S 1> ตนผลจะอย่นี้มันต้องมันต้องนิ่งอนะ่ะแต่ฟังนี้มันต้องนิ่ง ลดอัตาต้องน้อยด้วยเพราะว่าอัตราธรรมชาติอัตาเนี่ยพอมันถูกวิจารเนี่ยมันจะรู้สึกต้องรีแอคต้องกระทบมันจะรู้สึกถูกกระทบไม่ต้องรีแอคนยว่าถ้าเราใช้ในชีวิตจริงใช้บนี้ได้ตาาว่าขอใช้พูดก่อนงค่อยคพูดยิงได้ยิดีเออก็ก็ใช่ได้เออก็ก็อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ก็มีคนเอาไปใช้ใช่มีคนเอาไปใช้นะแล้วก็ บอกว่าในหลองที่ในหลองที่ฝ่ายหนึ่งพูดอีฝ่ายหนึ่งห้ามแย้งนะฟังให้ให้ครบถ้วนแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ใช้วิธีว่าขอให้ทวนใช่ไหมแต่ถ้าให้ท้าถวดเนี่ยมันก็จะได้รั่วจริงๆเขาฟังหรือเปล่าแต่ว่าการที่มีกติกาว่าอีฝ่ายหนึ่งพูดอีฝ่ายนึงอย่าเพิ่งแย้งอนี้อันนี้ก็ช่วยเยอะที่จริงเขาใช้ในการประชุมเหมือนกันนะก็ประชุมหลายครั้งที่มันคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องทําอย่างนี้ตนอนที่ถว่าจะขอให้ทวดหน่อย ก็ดีก็ดีแ้วอาจาร์คะอยากถามเรื่องการปฏิบัตินะคะคือหมายควว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเราก่อนนะะทีนี้ด้วยด้วยตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ฟุ้งง่ายแล้วก็ฟุง้งพอความคิดมันไปค่ะก็ไปแล้วเราก็ฝึกเรื่องการรู้สึกตัวใช่ไหะก็ดึงกลับมาเนี่าายลงใจบ้างแล้วก็ด้วยคาที่เราใช้ชีวิตแบบทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยมันก็จะมีช่วงที่เราเป็นอัตโนมัติตลอดลที่บางบางอย่างที่เราทํางานเดยอัตโนมัติ แล้วเวลาไอการฝึกเพื่อรู้ตัวตรงนี้ค่ะมันมันต้องฝึกแบบอมากขนาดไหนหรือว่าก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปเรื่อยบางทีอย่างบางทีเราขับรถอย่างเงี้ยบางทีเราก็เผลอๆไปเราก็ขับรถเดอตโนมัติแต่พอเรารู้สึกตัวอย่างเงี้ยเราก็จะหายใจอามือเราจับพวงมาลัยอยู่หน้าขาเราเหยียบคันเร่งอยู่นะเนี่ยมันต็เหมือนเราฝึกแบบง่ายๆที่เราพอทําได้แต่บางทีมันเหมือนกับว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเข้มข้นแล้วหลังจากนั้นอีกช่วงหนึ่งเราก็ตาก็จะหลุดตลอดเลยหลุดไปเงี้ย ถ้าเรตั้งหลักใหม่มันก็กลับมาใหม่แต่ว่ามันจะมีความไม่ถูกใจในตัวเองอยู่ที่แบบว่าอีกแล้วดูดีแล้หรือบาทีแบบหลุดนานเกินไปอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างกับลูกเนี้ยมันเป็นสิ่งเราที่มันเร็วเรามากบางทีเราก็จะปีดขึ้นมาง่ายซึ่งซึ่งสุดท้ายอ่ะมันก็จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเวลาที่เราใช้เรื่องเนี้ยเวลาที่โมโหหรือว่าเราโมโไส่ลูกเนี้ยแล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปแล้วบอกเฮ้ยเราต้องฝึกสติบางรอบมันก็ได้บางรอบมันก็ไม่ได้แต่ก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องฝึกตััวเองให้มน ให้มันสม่ําเสมอขนาดไหนเพื่อจะได้คือไม่คิดไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องแบบดีขึ้นมาเลยนะคะแต่หมายความว่าไออาการอะไรเนี้ยค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงอย่างเงี้ยมันต้องความสม่ําเสมอสําคัญนะความสม่ําเสมอความต่อเนื่องทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ว่าฝึกเสียงเดียวเล่นดนตรีก็ต้องเล่นต้องฝึกสม่ําเสมอแล้วฝึกเป็นประจําำนะฮาเพราะฉะนั้นเนี้ยการปฏิบัติเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนีังต้องยิ่งต้องฝึกสม่ําเสมอฝึกสม่ําเสมอในความใน วันนี้ความหมาย2 อ, อย่างที่เหนึ่งคือว่าฝึกในรูปแบบนะวันหนึง่งนะนานเท่าไหร่ก็ทําสม่ำเสมอทำทุกวันอย่าให้ขาดขาดจากกาความสม่ำเสมอหมายถึงว่าสม่ำเสมอสทั้งวันก็คือในชีพประจําวันเนี่ยคุณก็ไม่ว่าทำอะไรกใใ็ให้มันพยายามมีสเตติสทุกตัวนะและสิ่งที่ความสม่ําเสมอเนี่ยแม้จะน้อยนะมีประโยชน์นะ มาถึงห้าสิบสิบวนาทีเนี่ยนะเพราะว่าการที่จะทำให้สม่ําเสมอได้เนี่ยคุณต้องใช้ความใช้ความตั้งใจมากเพราะถ้าคุณไม่ตั้งใจเนี่ยมันจะไม่สม่ําเสมอก็คือว่าทําวันเ ว, นว้นวันเนี่ยใช่ค่ะบางวันคุณไม่มีบางวันะคุณไม่มีอารมณ์จะทำคุณก็ต้องทําและคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าทําให้การเจรินสติ ค, คุณต่อนเนื่องเพราะคุณทาสม่ําเสมอแต่มีทําให้คุณมีอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา ก็คือการวางใจที่เข้มแข็งความมีวินัยซึ่งตรงนี้สําคัญมากจะทําแล้วก็ตามตรงมีตรงนี้เขามีการเขามีการศึกษาพบนะทดลองมีการศึกษาพบว่าเวลาจะฝึกให้เวลาจะแนะนําให้คนเนี่ยลดลดน้ําหนักเนี่ยลดความอ้วนซึ่งเป็นปัญหาของคนสมัยนี้มากนะก็คือน้ําหนักเกินอ้วนและการที่จะลดน้าหนักเนี่ยนะมันต้องมันต้องขุมอาหารและออกกําลังกายนะ และในการการการการคอร์สแบบนี้เนี่ยก <_ an> ็จะให้ทุกคนเนี่ยเข <_ an> ียนบันทึกทุกวันว่าวันนี้กินอาหารอะไรนะาำแนกอาหารมันก็มีบางคนทําบางคนไม่ทําแต่ก็พวกคนที่คนที่ลดอาหารคนที่ลดน้ําหนักได้ดีสุดเนี่ยคือคนที่ทําบันทึกเนี่ยทุกคนที่ทําบันทึกเนี่ยนี่นะจะมีแนวโน้มที่จะลดน้ําหนักได้ไอ้ใครที่ไม่ทําเนี่ยนะ มักจะลดน้ําหนักไม่ได้นะอีกที่หนึ่งเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยทีตราดก็มีคอสโลน้ําหนักเนี่ยนะก็ก็ใหเ้เหมือนกันเนี่ยอดอาหาอ่าให้คุมอาหารนะให้ออกกําลังกายและนั่งสมาธิและมีอย่างหนึ่งคือให้ทุกคนเนี่ยคั้นน้ำมะนาวก็พบว่าให้คนที่คั้นน้มามะนาวทุกวันนี่นะลดน้ําหนักได้ ไอคนที่ไม่คันน้ำนาวนานนะมันลดไม่ได้เขาก็แปลกใจให้ลดน้ำมันาดนี่มันช่วยลดลดมันช่วยลดช่วยลดน้ำหนักได้เหรอก็ไปถามหมอจริงไม่เกี่ยวหรอกน้ำมันนาจะลดมันจะลดมันจะมีผลในทางโภชนาการในการลดน้ำหนักลดไขมันหรือเปล่าไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่มันสําคัญคือมันทาให้มันมีผลต่อจิตใจคือคนที่ทําิธีทุกวันเนี่นะมันจะมีกําลังจิตที่เข็งแข็งและกระด๋วที่แข็งแกรงทำให้สามารถจะ ลดน้ําหนักได้ไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารคุมอาหารหรือว่าการออกกำลังกายใช่ไหมแ ค, แค่เนี่ยคือการลดน้ำหนักเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่คุณทําสิ่งเล็ ก, ลกๆก็คือคุณเขียนบันทึกทุกวันสม่ําเสมอคุณคันน้ำมานาเนี่ยทุกวันสม่ําเสมอใช่ไหมมันเป็นสิ่งเล็กๆนะแต่มันมีผลที่เปลี่ยนแปลงช่วยคุณได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้คือความมีวินัย ความอดทนความมีจิตใจเข้มแข็งซึ่งนี่คือสิ่งที่คนสมัยนีคขาดใช่ไหมเพราะว่าดิ๋ยนทําไมทำไมถึงครูมาหารไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งล่อเราเยอะแยะให้กินเยอะแยะเหมือนสมัยนี้เนี่ยของดีๆแม้กระทั่งที่นี่ของดีๆให้กินเยอะแยะใช่ไหมแล้วก็ใครกันมันก็มีมันก็มีมันก็มีสิ่งอานวยความสะดที่ทำให้เราไม่ต้องออกกำลังกายเนี่ยเราอยู่เฉยแล้วก็อยู่ได้สั่งเดี๋ยวจะซื้ออะไรก็ไปสั่งสิบเดสิบสองมาส่งใช่ไหม เราอยู่ห้องเนี่ยไม่ต้องกําลังออกไปไหนเลยมันก็มีของกินอยู่ได้เราไปเที่ยวอย่างที่จะมาพูดเมื่อเช้าอ่ะมาบ้าเมื่อเช้าเออคือชีวิตวิถีชีวิตวันนี้เนี่ยมันมันทําให้เราเนี่ยหนึ่งมีสิ่งเสร็จมากแล้วก็ไม่มีความใจเป็นต้องออกกําลังกายเั้นจะออกกำลังกายต้องอาศัยวินยัยจะคุมอาหารได้ก็ต้องใส่วินยัยอาศัยกําลังใจที่เข้มแข็ง แล้วกอยากที่ข้นแข็งคุณไม่ได้มาจากไหนคุณได้มาจากไหนนี่ยทําสิ่งเล็กๆทุกวันมันมีมันมีเรื่องเล่านะลุงเจียวกับลุงปู่ดูพรมกันโยรูจ้จักไหคราวนึงมีลูกศิษย์พาพาเพื่อนมาเพื่อนนี่แกชอบกินเหล้าเพื่อนก็นมาลูกศิษย์คนนี้มาการาบลุงปู่แล้วบอกเนี่ยบอกเพื่อนวันเนี่ยไหนๆมาหาลุงปู่ดูแล้วรับศีลจากหลุงปู่แล้วก็ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิ เขาก็ฏิเสธมานั่งไม่จะรับศีลได้ไงยังกินเหล้าอยู่นะก็จะปฏิเสธรักษาศีลสมาธิเขาไม่ทำเขากินเหล้าแล้วผมก็บอกว่าแกจะกินเหล้าก็เป็นเรื่องของแกนะถ้าไม่ห้ามนะยังกินเหล้าเป็นเรื่องแกแต่ว่านั่งสมาธิให้ข้าได้ไหมวันละห้านาทีก็พอห้านาทีแค่ไหนเนอะได้ตัวเ ก, ก็นั่งสมาธิห้านาทีนั่งเสร็จก็ไปกินเหล้า นะบางวันนั่งไปนั่งไปมีเพื่อนมาชวนกินเหล้าบอกยังไม่ไปยังไม่ครบห้านาทีตอนหลังนั่งไปเนี่ยห้าทีอสบายฮะต่อสิบนาทีนะใช่ไหมสุดท้ายแกเลิกเล่านะเลิกเหล้าพรานั่งสมาธิวันลห้านาทีก็สองก็บวดนะบวชบุตท่านฉลาท่านรู้นะว่าถ้าไปสั่งให้ไอ้หมอเนี่ยห้ามห้ามนั่งกินเหล้ามันไม่มันไม่ทำหลอก ท่านจะบอกเออจะกินเล่ากินไปแต่ว่านั่งสมาธิให้หน่อยห้านาทีแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอของเล็กๆเนี่ยทําสม่ําเสมอเนี่ยมันมีประโยชน์มากเพราะนั้นนี่ที่คุณจะเจริญสติเนี่ยนะก็ควรจะทําสม่ําเสมอนะแล้วก็อยากจะอย่ยันคือว่าให้ให้ไม่ใชใ่ให้ให้รู้ทันความคิดเวลามันฟุ้งอย่างเดียวให้รู้ทันเวลาเกิดอารมณ์ไม่พอใจว่าฟุ้งอย่งแล้วฟึวฟ้่งแล้วเนี่ยนะ ไอ้ฟุ้งอีกลานเนี่ยมันคืออะไรคือความไม่พอใจคุณต้องรู้ทันอารมณ์นี้ด้วยนะคือต้องทำใจใเป็นกลางให้ได้ทำใจให้เป็นกลางต่อการที่ใจเนี่ยมันมันฟุ้งถ้าคุณทันนี้ที่คุณมีความรู้สึกว่าฟุ้งอีกลา น, นยังไงเสาคุณยังไม่รู้ทันอารมณ์นี้คุณยังไม่เป็นกลางกับมันคุณต้องรู้เฉยเฉยรู้เฉยคือรู้ว่าฟุ้งแต่ใจคุณเป็นเบกขานะ แล้วตรงนี้มันจะช่วยคุณได้เยอะเลยถ้าคุณมาฝึกตรงนี้ด้วยไม่ใช่ฝึกว่าโกรธเพียงเดียวฝึกให้เห็นความรู้สึกไม่พอใจความโกรธถ้าสมมุติเวลาที่เราโกรธแล้วเราเห็นเราทันแต่เราเบรกไม่ได้ก็ต้องเห็นอารมณ์ทำไมคุณต้องเบรคอะเพราะคุณไม่ชอบใช่ไหมถ้าคุณเพราะคุณไม่ชอบคุณยอยากจะเบรกแล้วความไม่ชอบนั่นคุณเห็นไหมคุณไม่เห็นคุณต้องเบรคไง อันนี้ลว่าคุณไม่ได้รู้เฉยๆนะคุณรู้แล้วเนี่ยคุณรู้คุณคุณรู้แบบไม่เฉยอ่ะคุณรู้คุณรู้ว่าโกรธแล้วคุณไม่พอใจความโกรธคุณยิงจะเบรกแต่คนที่รู้เฉยๆเนี่ยเขจะไม่เบรคเขาแค่รู้เฉยๆเพราะถ้าคุณเบรคเนี่ยมันก็หมายว่าคุณมีคุณมีคุณไม่ได้มีสติเต็มร้อยคุณมีสติที่เจอไปด้วยความอยากอยากมีสติที่เจอไปด้วยความไม่พอใจคือโทสะมันก็เหมือนกับน้ําที่ใช้ดับไฟ แต่น้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำเบื่อเลยฝึกมันต้งมีน้ําที่ปะเจอด้วยน้ํามันถ้าคุณสาดลงไปในกองไฟเนี่ยมันดับนะไม่ใช่ใช่ไหมเพราะหลายคนว่าทาไมเจอเรสติรู้ว่าโกรธแต่ทำไมยังโกรธก็ก็เพราะว่าเพราะว่ า, วาที่รู้ว่าโกรธจะทำไมยังโกรธอยู่เพราะว่าไม่เห็นความรู้สึกไม่พอใจต่อความโกรธใช่ไหมตรงเนี้ยคือคือคือการบ้านที่ยายคุณไปฝึกอ่า คือความโกรธเกิดขึ้นคุณก็เออจับแต่ว่ารู้ถึงที่ว่ารู้เฉยๆเนี่ยหรืวก็เถียมว่ารู้สึ่อๆไปรู้เฉยๆคุณรู้ว่าโกรธโดยที่ใจไม่รู้สึกเป็นลบต่อความโกรธเมื่อคุณรู้สึกว่าไม่เป็นลบต่อความโกรธคุณก็ไม่มีความพยายามอยากจะเบรกมันคุณแค่รู้เฉยๆเนี่ยยิ่งเบรกเนี่ยมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งต้านแอคชั่นเกับรีแอคชั่นใช่ไหม เออสองข้อนี้ก่อนเริ่มต้นที่ข้อแรกก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยมันมันไม่แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยรีบใช้อะไรที่อยากทํารีบทำรวมทั้งการทําความดีให้เวลาคนรักอันที่สองเนี่ยก็ก็ฝึกให้เขาว่าเนี่ยในเมื่อเราต้องตายเนี่ย นะี่ไม่พ้นเพราะนั้นเราต้องเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมฝึกใจของเราไว้เพื่อที่เราจะเมื่อถึงเวลานั้นเราจะได้ไม่ทุกข์ทรมาร์ตนะอันหลังเนี่ยจะเป็นจะเป็นแรงผลักที่ทําให้คนเนี่ยสนใจธรรมะแต่อัตมาเนี่ยเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างนะที่อัตม า, มาสนใจเรื่องความตายเพราะว่าอัตมากลัวตายนะเพราะว่ามันมันเจอเรื่องความตายที่ผิดปกติ สมัยเป็นวัยรุ่นเยอะไม่เหมือนกับคุณยิงจำองศรีคุณิจำงศรีเจอความตายแบบจากแมวจากคนแก่เนี่ยต้อมาเจอความตายจากเหตุการณ์การเมืองที่มันวุ่นวายหลังสิบสี่ตุลาใช่มมีใครมีใครโตช่วงนั้นบ้างเนี่ยหลังสิบตุลาเนี่ยนะมันก็จะมีมีนักษาประชาชนฝ่ายซ้ายถูกฆ่าถูกลอบฆ่า แล้วเวลาทวงเนี่ยประท้วงธรรมศาสตร์ก็จะมีพกกระทิงแดงเอาระเบิดมาปาเอาปมายิงอาตมาอยู่ในทในีในที่ชุมนุมเนี่ยมันก็กลัวนะกลัวว่าถ้าที่พ้นนี้เกิดโดนระเบิดเราจะทํำยังไงเกิดระตัวลูกหลวงเนี่ยทำไงทั้งที่ตอ น, น, นตา่ตางดาก็ไม่ได้เป็นซ้ายแล้วนะแต่ว่าบางอย่างก็ไปร่วมชุมนุมขเขากลัวเนี่ยนะแล้วก็มันก็มีความกลัวเนี่ยแล้วก็ตอนมีคา่าวนึงไป ไปใต้เนี่ยไปไปทำไปเขียนบทความเกี่ยวกับโกมันทิมทองรู้จัมกมะโกมันทิมทองแกแกเป็นนิสิตแกไม่ให้แกเป็นแกไม่ น, นิสิตนละแกจบละแกไปเป็นครูที่บ้านซ่องนาศาลสุราชแล้วแกก็ถูกลอกฆ่าแล้วต่อมาก็ไปทำไปทำไปทำเรื่องราวแกปีหนึ่ปดสี่ปีรที่แกตาย5ปีก็ไปไปสารที่ที่แก แกเคยไปเยี่ยมไปทํางานเราก็นึกเออถ้าเราเราก็นึกถ้าเราเป็นอย่างแกนี่เราจะทําใจได้ไหมถูกลอกค่าเงี้ยมันก็กลัวไงกลัวแล้วก็เลยคิดว่า เ, เราต้องฝึกนะเราต้องฝึกต้องต้องฝึกจิตของเราเพื่อถ้าเกิดว่าวันนั้นมาถึงเราจะได้ไม่กลัวแล้วตมาเนี่ยชื่อของตมาเนี่ยครัในใครที่เป็นนักชวิตในวัยนั้นเนี่ย มันต้องคิดมันต้องมันต้องคิดเรื่องนี้ไม่มากก็ น, น้อยเพราะว่ามันมีโอกาส ต, ตายได้และางาน16ตุลาก็มาถึง16ตุลานี่ก็เกิดตายนะครับคือลูกนักธรรมาเนี่ยมันไม่ต้องคิดเรื่องความตายเพียงแต่ว่าคุณจะละมือความตายยังไงบางคนก็กดแต่นากธรคิดว่าในข่าวเลยต้องตายเนี่ยก็ต้องต้องสุดก็ทําให้สนใจปฏิบัติธรรม สนใจปฏิบัติธรรมเพื่อที่ว่าเราจได้ไม่กลัวตายนะนง่นความกลัวตายมันดีนะมันทำมันมันตัวขย่าให้เราเนี่ยไม่อยู่เฉยถ้าเราไม่คิดถึงความตายเราก็ประมาทเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆนะก็เฮฮาอะไรไปแต่พอเราคิดถึงความตายขึ้นมาแล้วเรายังกลัวอยู่เราคิดว่าเราต้องเราต้องทำต้องฝึกจิตขงเราหลายคนก็ใช้วิธีการไม่คิดนะหรือบางคนก็ใช้วิธีลืม เฮ ห, หาสนุสนานนะต้องมาคิดอีกแบบแล้วก็คือว่าต้องฝึกอันนี้ ก, ก็ก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราเราพูดกับคนที่เขาคนทั่วไปที่ไม่สนใจธรามะเนี่ยให้เขาได้ฉุกคิดหน่อยว่าถ้าเขาถ้าเขาจะวันหนึ่งเขาต้องตายเนี่ยเขาได้เตรียมพร้อมหรือเปล่าใช่ไหอันนี้แม่ทาให้เขา เ, เกิดความตื่นตัวขึ้นมาแล้วกัเบเด็กอคะคือ มีความเคียดูมากรับปะพก็แม่หดีแม่ขรถเแม่ชนรถอะไรเงี้ยแม่ขับรถไปชนตายเงี้ยเาจะบอกอย่พูดแล้วก็าร้องไห้เยแล้ววันนึงเขาก็ฟังเป็นเสียง่านของนักเของค้าจาจาค่ะเขาบอกที่บอกว่าให้เลือกไว้6อย่างใช่ไหมที่ว่าเกิดซึนามิอะไรเงี้ยแล้อ่ะมีในสือเหรออะไม่ไม่แน่ใจอ่ะที่มันจะเป็นที่ว่ามันเป็นเสียงอ่านะคะใช่เขาบอกของคราอาจารอ๋อไม่เราปกติสมาไม่ไม่โอเคเออเป็นเสียอ่านแต่ไม่ใช่ปเสียงของอาจารย์ แล้วคนนี้เขาฟังฟังไปถึงประมาณสิอันที่สามนสิว่าค่าตัวเองตายง่ายที่สุดละมันเนี่ยถ้ามันทุกขนาดนั้นบอกถ้ามันทุกขนาดแล้วมันเครียดขนาดนันาตายก่อนคนแรกเลยตอนแรกเาเลือกอยู่นั่งดูแล้วบอกเขาจะเอาอะไรบ้างเราก็ไฟังแล้วก็เลือกแล้วพอเสร็จว่ารู้สึกาทุกมากขนาน้นาค่าตายก็รู้สึกไม่ควฟังหรือเปล่า่ก็่อยเป็นนช่างคิดก็ได้ปกติเด็กๆก็ไม่คิดกัน แล้วว่าก็ให้เขามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นเรื่องความตายที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดอย่างเดียวนะธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยก็พรามันมีความตายเกิดขึ้นทุกตารางนิ้วใช่ัหมมันกลายเป็นปุ๋ยไงให้ดอกไม้ได้ได้เติบโตงดงามให้เขามองเห็ความตายแบบนี้ด้วยให้เขามองเห็นว่าความตายก็เหมือนกับอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกใช่ไหมถ้าอาทิตย์ขึ้นไม่อยู่ตกมันก็ไม่สวยนะ เราก็ไม่เห็นดวงดาวไม่เห็นท้องดวงจันทร์ที่สวยงามคือให้เขาเห็นความตายมันในศาสที่ว่ามันก็คือหนึ่งเป็นธรรมชาติสองมันก็มีความงดงามมีมีมีประโยชน์ของมันใช่ไหมถ้าโลกนี้มันมีแต่มีแต่มีแต่คงาวามไม่มีเงื่อนขืนเนี่ยมันคงแย่นะนะถ้าโลกนี้มันมันไม่มีต้นไม้ตายกลายเป็นปุ๋ยนะธรรมชาติก็ไม่สวยงามนะถ้าน้ําเนี่ยไม่ละเหย กลายเป็นไอกลายเป็นไอบ้างเราก็ไม่มีแม่ที่สวยงามเมฆนี่ก็มายจากน้ําที่มันมันเหินหายไปจากไปจากหลุมจากบอ่อก็บอกว่าเนี่เนี่ยความตายก็คือเนี่ยเนี่ยก็คือส่วนความตายก็มาในรูปนี้เหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามันหนึ่งไปธรรมชาติสองมันมันมีความสวยงามหนึ่งใช่ไหมยายเขามองในความตาย เ, เรื่องที่เลวร้วายแม้กระทั้งร่างกายเราทุกวันนี้ยทุกวันนี้ที่เรามีสุขภาพดีเพราะา ม, มันมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายเรา มันมีเซลล์ตายในร่างกายเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยห้ามืสล้านเซลล์มันมันตายเพื่ออะไรมันตายเพื่อให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นเป็นเซลล์ที่ดีเป็นเซลล์ที่ที่ที่ที่ถูกต้องนะคือมันเรกว่าคือไม่ไม่เพี้ยนนะถ้าเซลล์เราไม่ตายนี่เดเป็นปัญหาในการแพรยเนี่ย ม, มันมีเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ตายก็เรียกว่าเซลล์อามาตะรู้จักมามคืออะไรคือมะเร็ง มะเร็งนี่เขาจะามาตามมันจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆแบ่งตัวไปเรื่อยๆโคตรจะทนทานเลยเอาเคมมีบําบัดใส่เข้าไปยิงเข้าไปเอาเอาใช้แสงยิงเข้าไปมันยังไม่ตายมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นมะเร็งมะเร็งมเม็ดมดลกูกปีอเมริกันถึงดำก่อนจะตายนี่เขาก็เอาหมอนี่ก็เอาเนือเ้อเยื่อมาพอเพาะเลียงในจานแล้วพรากว่ามันก็แบ่งตัวไปเรื่อยๆมันไม่ตาย ผู้ตายไปแล้วเนี่ยไอ้เซลล์ที่มามาพรอยนี่ยังก็ยังเติบโตจนกระทั่งมีคนขอไปทําวิจัยโรงพยาบาลไปทําวิจัยไอ้บริษัทเคมีบริษัทบริษัททํายาก็ขอไปวิจัยขอไปขอไปเนี่ยนะจนทังแพร่หลายไปทั่วโลกจนถึงวันนี้หกสิปีแล้วเนี่ย รู้ไหมไอ้เซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของพิจิทร่ใไ้ร์ตาเนี่ยโล้ะทั้งโลกเนี่ยหนักกี่ ก, กิโลเอาพวกหนักกี่ตันดีกว่าห้าสิบตันเนี่ยมันเชื่อมั้ยอ่ะห้าสิบตันนี่เชื่อมั้ยอ่ะแต่ความจริงคือห้าสิบล้านตันไม่ตายนะมันแบ่งไปเรื่อยเซอร์มาตา ผมไม่เชื่อนะฮะตีแรกแต้มาขึ้นห้าสิตันหรือเปล่าห้าสิบล้านตันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เซลล์ในเซลเซลที่ที่ที่เอามาแบ่งเอามาเอามาเพาะเนี่ยแทบจะทุกโรงพยาบาล น, นะที่รักษามะเร็งหรือว่าแทบจะแทบจะทุกทุกทุกหลักที่ทําเรื่องการศึกษาเรื่องยาเนี่ยที่มีผลต่อการากรักษาโรคในระดับเซลเนี่ยล้วแล้วแต่เป็นเซลล์ของไฮดรีตตังสิ่ง เนะนี่ยคือเซลล์อามาตายเนี่ยคือไม่ไมตายะนะเฉั้นเราต้องขอบคุณทั้งที่เซลล์เราตายเพราะว่ามันจึงมีมันจึงมีสุเราจรึงมีสุขภาพดีอันนี้ก็ต้องเด็กก็ควรจะรู้ถ้าเขาเข้าใจเรื่องเซลล์มากพอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นนี่เราต้องขอบคุณความตายเยอะเลยที่จริงอาหารที่เรากินก็มาจากผักหรือสัตว์ที่ตาย ถ้าไม่มีถ้าไม่มีผักที่ยอมตายเพืเ่อเราแล้วก็เราก็ต้องตายแน่นอนถามอาจารย์เรือเ่องชีวิตหลังความตายครับผมรู้สึกว่าการที่เราจะมีแต่ละคนจะมีค่าเทียบกับความตายมันขึ้นกับว่าเขาได้ยามว่าชีวิตหลังความตายคือยังไงหรืว่าที่เราจัดงานศพกันแบบนี้เพราะเราเชื่อว่าจากวนนี้คนตายจะได้ได้บุญได้ ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคืออยากรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตหลังความตายนี่มัมันเป็นยังไงแลวการที่ส่ส่วนตั ว, ว่าเอกจัดงานหรือว่าการถวายอะไรใน ง, งา น, สนัส่งไปถึงคนตายหรือเปล่าครับคือมันมีจริงริงมีจริงหรือไม่จริงไ ม, ง ม, ง ม, งม่เราังไม่พูดนะแต่ว่านี่าคนทาทยังไงต่อชีวิตหลังความตายคือผู้เจ้า บ, บอกว่าอย่าเฉียงกันเรื่องนี้ นะเพราะว่าเคียงันไม่จบแต่สมมุติว่าแต่ผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยสมมติว่ามีชีวิตหลังความตายนะก็เป็นเหตุผลที่เราควรจะทำความดีเพราะว่าถ้าเราทำความดีเนี่ยหนึ่งเราก็มีความสุขก่อนตายสองพบหน้าเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีชีวิตหลังความตายอย่างน้อยเนี่ย การทำความดีของเราเนี่ยมันก็เกิดผลอย่างหนึ่งแล้วก็คือมันทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขในทางตรงข้ามถ้าเราทำชั่วและมีชีวิตหลังความตายความชั่วงเราเนี้ก็ทำให้เรามีความทุกข์ในชีวิตนี้และชาติหน้าเราก็จะต้องรับเคราะห์รับวิบากตามไปด้วยก็คือตกนรกเจอสองเด้งแต่ถ้าไม่มีชีวิตหลังความตายคือไม่มีนรกไม่มีนรก ทำชั่วเนี่ยอย่าง น, น้อยๆก็เกิดผลร้ายต่อชื่อเราในปัจจุบันด้วยเมื่อคิดแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ว่ามีชื่อหลังองตายหรือไม่เนี่ยทําดีดีกว่าเข้าใจไหมผู้จ้าอากิเมะของผู้จ่าจะเป็นแบบนี้แต่ถาวผู้จ้ามีมีมีชื่อหลังทำตายผู้จ้าชื่อมีในคําสอนผู้จ้าจะมีจะมีคําสอนเรื่องนรกสวรรค์เยอะนะแต่ผู้จ่าจะไม่เสียเวลาการถกเสียงเรื่องนี้ นะแต่ว่าจะสรุปว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเนะี่ยทําความดีเนี่ยมันดีแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีน ไ, ไม่มีสวรรค์อย่างน้อยเราก็พบความสุขในชีวิตนี้แต่ถ้ามีเราก็ได้กําไรอีกหนึ่งก็คือว่ามีความสุขในพบหน้าด้วยแต่สำหรับมนุษย์นะอาจาเชื่อมนุษย์เราต้องการต้องการต้องกา ร, ต, การต้องการชั้นหน้าคนเรานะ เพราะว่ามันช่วยปลอบใจสิ่งที่คนเรากลัวเนี่ยไม่ได้กลัวตายแต่กลัวตัวตนขาดศูนย์นะกลัวตัวตนดับศูนแต่ถ้าเราเชื่อว่ามันมีพบหน้ามันมีความสืบเรื่องของตัวตนเราก็พร้อมที่จะตายคนรักของเราถ้าตายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกยอมรับความตายของเขาได้ถ้าเราเชื่อว่า เขายังอยู่ในพบอื่นเขายอยู่สวรรค์คนเราจะทําใจได้ยากกับความตายของคนรักถ้าเราคิดว่าเขาขาดสูงใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราต้องการต้องการช้หน้านะต้องการช้หน้าเพื่อที่เราจะได้จะได้ปลอบใจเราเองเวลาคนรักของเราตายพ่อแม่ลูก เราอยังสบายใจว่าอย่างน้อยเขายังอยู่สักที่ใดที่หนึ่งจะทําใจได้ยากถ้าเกิดว่าเขาตายเขหายไปเลยเนี่ยโอ้โหทใจไม่ได้เลยคนที่ไม่เชื่อเรื่องความไม่รู้เชื่อมพบหน้านนถึงเวลาที่คนเราก็ตายนะเขายังอยากจะให้มีชั้นหน้าใชคุณดูหนาเรื่องคอนแทกก่อนว่าใช่ไหมคอนแทกอะนะโอ้มันรู้สึกโอ้โหมีความสึก ดียจมากเลยที่ว่าไอ้คนร่างตัวนี้มันมันไปอยู่อีกภพหนึง่งหรือถึงเวลาเราจะตายเนี่ยถ้าเราเชื่อมีพบหน้านเนี่ยเราจะยอมนนนยรอมับนนนรความตายได้งา่ายเพราะธรรมชาติอัตตาเนี่ยมันจะไม่ยอมรับนน <coc> มันจะทนไม่ได้ที่มันจะตัวตนนับสูญเพราะนั่นตรมาคิดว่าการที่มันมีความเชื่อลึกลับหน้านเนี่ยมันทําให้คนเรายอมรับความตายแต่คนสมัยนี้ยอมรับความตายได้ยากเพราะไม่เชื่อลึกลับหน้าเนี่ยมันก็เลยทรมาน กลัวความตายมากอ่าเ ช, ชิญมะก็นี่ไงบอกเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ตอบคำถามของคำถามแรกไปแล้วว่าให้ให้ริดทาความดีอย่าปล่อยเวลาผ่านเลยไปโนยเปาประยโยช น, น์ ห้องปากสี่ครับห้องนี้เลยครับห้อมประตูสีแดงครับช่วยให้เขาให้เขาถ้าเขาทำดี่อมให้เชื่อว่าหนึ่งเราจะไปดีสองให้เขาได้ทำสิ่งดีๆให้กับเราเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีอะไรติดค้างใจเวลาเราจากไป คนเราเนี่ยถ้าทำดีที่สุดคนรักแล้วนะเวลาคนลักจากไปจะปล่อยวางได้ง่ายจะทำใจได้ง่ายนะเกิดล้วใครเขาได้ทำดู<อ>ดูแลเราแล้วถ้าเกิดเราไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าเออเขาได้ทำดีออกับเราแล้วและสองบอกให้เขารู้ว่าเราไปดีถ้าเราไปดีเขาก็จะสบายใจพยายามทำดีที่สุด พยายามพยายามมีความสุขทำดีระหว่างกันบอกรักกันนะถ้ามีความสุขดีๆเกิดขึ้นในระยะสุดท้ายชีวิตเนี่ยคนจะยอมรับความตายได้ง่าย ยดงโยางทองต้องวางผ้าสักครั้งหนคงเนี okay. okay. ่ยไม่ได้ยังโย่ยไ่ด้มันยังต้องกะเดอยู่ดีกระเด็ีผ่าคนของผ้าไหมของผ้าไหมอเคผ่านดีตรงนี้นะพี่เอ็มใช่านดีกว่าผ่าดีกว่าต้องช่วยไรอย่างเงี้ยมาดูสิกรด สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายนสคเยอครับ คผ้มานผูท่านผูานผู้ชผมนา้านน้นน้นา้านาา เราปวดของทางเ่าางี่คุครับขออนุญาตมผ่านมาสามคนเลยไห ผมไม่มีความสงสัยแล้วล่ะ <c oughs> ลนะปะ่วยโรเรื่องความความคกรดกันในครอบครัวคืคอในครอบครัวเนี่ยพี่น้องและเพราะพี่น้องเวลามาอยู่ด้วยกันคุยกันนะคะมักจะใช้อารมณ์คุยกันทุกครั้งต้องโกรธกันทุกครั้งเริ่มเริ่มพูดก็เริ่มโกรธกันแล้วค่ะเริ่มพูดก็เริ่มเสียงดงังเริ่มโกรธ ทำให้รนรุษย์ในครอบครัวไม่ดีเลยก็เหมือนกับอาจจะมีการทักกันว่าเฮ้ยคุยกันดีๆสิอย่าใช้อารมณ์อย่าขึ้นเสียงครั้นี้ก็ยิ่งเสียงดังกันใหญ่เลยมักจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะอาจารย์คิดว่าควรจะต้องจะต้องเริ่มทำอย่างไรกันนะเพื่อเพราะไม่งั้นก็เหมือนกับว่าบรรยากาศในการพูดคุยกันนะ่ะเสียงทุกครั้งที่เริ่มคุยกันนะ่ะด้วยคำแต่ว่าแต่ละคนเนี่ย เวลายอยู่นอกบ้านนะคะเป็นคนดีมากอารมณ์ดีพูดกับคนอื่นพูดกับเพื่อนฝูงดีมากแต่ทุกครั้งที่มาคุยกันเองเองนะะี่ยใช้อารมณ์ทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะต่างคนแตยังไม่รู้น ะ, ะแต่อันนี้ก็พยายามเหมือนพยายามเบรกตัวเองเหมือนกัยายากเนะะเวลาคุยกับพี่น้องหรืออะไรเงี้ยคุยกับพี่น้องบันทีมีพ่อแม่มาร่วมด้วยน ะ, ะเริ่มเริ่มขึ้นกันทุกคนเนี่ยพอขึ้นทุกคนขึ้นเต็มเลยนเงี้ยทั้งทังที่เรื่องบางเรื่องไม่มีอะไรเลยะคะ่ะเรื่องจากเรื่องเล็ มันเป็นมันเป็นร่องอารมณ์นะมันเป็นร่องอารมณ์ที่ที่ที่สะสมมานานที่เกิดขึ้นมานานจนกระทั่งมันกลายเป็นพอมีอะไรมากระทบเนี่ยมันก็ใจมันก็พุ่งไปทางนั้นทันทีนะมีอะไรมากระทบหูหรือว่ามีอะไรมากระทบตาเนี่ยใจยมันจะพุ่งไปทางนั้นทันทีเพราะว่ามันสะสมไอ้นิสัย React แ, แบบที่มานาน จนไม่รู้ตัวนะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเนี่ยเวลาพูดคุยด้วยเนี่ยมันจะไม่เกิดร่องอารมณ์แต่ลักษณะ น, นั้นเพราะว่ามันเป็นการเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอเพิ่งรู้จักนะมันเหมือนกับน้ําเนี่ยถ้าน้ําเนี่ยถ้าปล่อยน้ําเนี่ยนะมันก็มันก็จะไหลไปในร่องที่ลึกที่สุดใช่ไหมแม้จะขุดร่องใหม่มันก็ยังไม่ไปร่องใหม่ไม่ไปร่องเก่าอยู่เดิมเพราะเป็นร่องที่ลึกกว่า จะมาครันนี้เนี่ยพี่ว่าคงสะสมกันมานานนะสะสมความรู้สึกสะสมทั้งความรู้สึกที่ไม่พอใจแล้วก็สะสมส่วนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันก็สะสมจนรัางกายเป็นนิสัยจะทายี่ได้ ม, มันต้องสร้างนิสัยใหม่หรือว่าจะต้องทำหาทางดึงจิตออกจากร่องร่องเดิม อาตมาคิดว่าต้องเริ่มตั้งแต่การที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้ตัวก่อนว่ามันเกิดมันมันมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ต้องเห็นต่อไปว่ามันไม่ดีแต่ว่าคือถ้าก็เห็นเห็นเนี่ยหนึ่งว่ามัให้คนรหนึ่งพฤติกรรมเนี่ยนะนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งมันต่างจากพฤติกรรมที่เขาทากับคนภายนอกนะคนบางคนเนี่ยทําอะไรไปไม่รู้ตัว คนบางคนขี้บ่นเนี่ยแต่ไม่รู้ตัวเองขี้บน่นคนบา ง, งคนคนบางคนเนี่ยพูดมากแต่ไม่รู้ตัวเอนพูดมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยกรณีนี้ทั้งสองทั้งสองฝ่ายหรือกี่ฝ่ายก็ตายก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้และสองเหตพฤติกรรมอันนี้มันไม่ดีมันไม่ดีกับคนอื่นแล้วไม่ดีกับตัวเองแล้วก็สามเนี่ยต้องมีความอยากพยายามที่จะแก้ไขใช่ไหมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซึ่งอันนี้คุยต้องไอต้องไปคุย ตัวต่อตัวแต่ละคนเนี่ยว่าเนี่ยซึ่งเวลาคุยก็ต้องคุยไม่ใช่คุยในยให้เขารู้สึกว่าเราตําหนิเขาแต่คุยอยากจะปรึกษาว่าเนี่ยเออมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมใช่ไหมแล้ถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาเห็นว่ามันมันมันมันเป็นปัญหาแล้วเขาอยากจะเลิกแต่ว่ามันเลิกไม่ได้ก็เหมือนคนติดยาหลายคนเขาก็รู้ว่ากินติดยาไม่ดีแต่ก็เลิกไม่ได้ ใช่ไหมบางคนก็รู้ว่าติดบุหรี่ไม่ดีแต่เริกไม่ได้แต่แตน้อยเนี่ยถ้าจะเลิกถ้าจะเลิกได้ต้องมีความตั้งใจที่จะเลิกคนติดยาถ้ามีความตั้งใจจะเลิกมันเลิกไม่ได้หรอกใช่ไหมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาต่อตัวเขาเองด้วยตอนนี้ก็ต้องคุยแล้วเออเราจะทำอย่างไงใช่ไ่มเช่นคนุณอะไรต้องมีกติกา ว, ว่า เมื่อซึ่งเมื่อกี้ก็ได้คุยกับกลุ่มอีกอีกอีกอ ก, อ ก, อ ก, กลุ่มหนึ่งนะเกอตมาคิดว่าปัญหาคนทุกวันนี้คือไม่ฟังกันนะดูมันฟังนะแต่ว่าใจเนี่ยนะมันโตแย้งเป็นเพราะบางคนเนี่ยไม่รอให้ฝ่ายหนึงพูดจบวันแต่ว่าสวนทันทีนะลึกๆเนี่ยเป็นเพราะไม่ได้ฟังดูมันฟังนะอาตมายกตยัวอย่างเนี่ย หมอวิธานธนวุฒิเนี่ยเคยเล่าว่าแกไปเข้าแกไปแกไปแกไปสอนในคอร์สหนึ่งเกี่ยวเรื่องการแก้ไขความขัดแยง้งถึงจุดหนึ่งก็บอคอสามสมัครสองคนที่เป็นคู่กรณีกันก็มีหมอหมอฟันกับผู้ช่วยหมอฟันเป็นผู้หญิงผู้ช่วยเป็นผู้ชายสองคนนี้ไม่ถูกกันมีเรื่องกันก็ให้มาอยู่ที่ที่ที่ ที่กลางวงแล้วก็ให้ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าตัวเองไม่พอใจอีกคนหนึ่งเรื่องอะไรโดยสลับกันพูดมีกติกาว่าให้พูดคนละสามนาทีนะคนพูดพูดจบคนฟังก็ต้องสะท้อนว่าได้ยินมาว่ายังไงถ้าสะท้อนถูกนะ คนพูดก็พยักหน้าถ้าสะท้อนผิดก็ต้องเริ่มใหม่จนกว่าคนพูดเนี่ยจะพอใจว่าสะท้อนถูกก็เริ่มต้นด้วยการให้หมอฟันพูดก่อนถ้าไม่ใช่ผู้ช่วยพูดก่อนผู้ช่วยก็พูดพอพูดจบสามนาีหมอหมอฟันก็สะท้อนสะท้อนใด้ถูกก็สลับกันคราวนี้หมอฟันพูดบ้างหมอฟันพูดจบก็ให้ผู้ช่วยสะท้อน ว่าได้ยินมาอย่างไรก็สะท้อนผิด ก, ก็สะท้อนใหม่ก็ยังผิดอีกัวครั้งที่สามเนี่ยถึงจะสะท้อนได้ถูกต้องแ ล, แล้วหมอวิจารณ์หมอวิจารณ์ก็เลยถามถามหมอฟันว่าเนี่ยรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้ได้ได้ยินผู้ช่วยพูดแกก็บอกว่าก็ก็เข้าใจเลยนะถ้าตัวเอง เ, เป็นอย่างผู้ช่ว ย, ยก็คงจะไม่พอใจเหมือนกัน แกเริ่มเข้าใจห ม, หมอที่ทางก็ถามผู้ช่วยว่าทำไมเนี่ยเมื่อกี้ให้สะท้อนอะไรสะท้อนผิดถึงสองครั้งแกก็พูดตรงนะีบอกว่าไอ้ตอนที่ได้ยินหมอฟันพูดเนี่ยใจแกมันคิดแต่จะจะแย้งคิดแต่จะจะแก้ตัวคิดแต่จะแย้งอะ่ะไม่ได้ฟังใช่ไหมผมไม่ได้ฟังเนี่ยก็สะท้อนผิด คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะคือว่าได้ยินแต่ไม่ได้ฟังใช่วิธีเชื่อเชยก็คือว่าไหนพูดมาซิว่าเนี่ยเมื่อกี้ฉันพูดว่ายัางไงซึ่งถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยก็จะก็จะพูดสะท้อนไม่ถูกและส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมามาเชื่อบางทีพี่น้องกันก็ต้องลองลองลอลอลอบบ น, นึกถึงเรื่องแบบนี้ดูว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะกดกั้นให้มากขึ้น แล้ที่จริงเนี่ยต้องพยายามนะต้องช่วยให้อีกฝ่ายนึ่งเห็นข้อดีของอีกฝ่ายหนึ่งเรามักจะเห็นข้อเราพี่น้องเนี่ยพออยู่ใกล้กันมากเราจะเห็นแต่ข้อเสียใช่ไหมอาตมาคิดว่าถ้าถ้าพี่น้องเนี่ยเห็นข้อดีอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเขาจะมีปฏิกิริยาฉับไวแบบนั้นเนี่ยน้อยลงแล้วคนเราเนี่มักจะเห็นแต่ข้อเสียมากกว่าข้อดีนะบางคนเนี่ยแค้นกันเป็นสิบสิบปีเนี่ย พ่อเห็นแต่ข้อเสียมีนักผู้คนหนึ่งนะ้วก็ชื่อพิพิษพุ่มแก้วหรือพุ่มนาคแก่เลาว่าวันหนึ่งนั่งแท็กซี่เนี่ยคุยกับแท็กซี่สะพักแท็กซี่แก่นเล่าหลังจกที่คุ้นเคยกันสักนะเราในเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วเนี่ยลูกชายจะไม่สบายกลางดึกเลยอายุสักสิขวบได้ หายใจไม่ออกนะแกตกใจมากแกก็รีบอุ้มลูกเนี่ยตอนเต้นประมาณตีหนึ่งรืออุ้มลูกเนี่ยไปที่ปากซอยแถวลาดพราวเพื่อจะเรียกแท็กซี่ไม่มีแท็กซี่เลยแกก็ต้อขึ้นมาได้ว่าเพื่อนบ้านนี่มีปิ๊กอัพแกก็เลยไปปลุกเพื่อนบ้านพพ เ, ปปเพื่อนบ้านงไงก็ขับพาแกไปถึงโรงพยาบาลเด็กลากวิถีนะแล้วก็สามารถจะช่วยเด็กได้ พอเด็กพอพอเด็กปลอดภัยแล้วแกก็ถามเพื่อนบ้านว่าเอาเท่าไหร่เพื่อนบ้านบอกห้าร้อแกโกรธมากเลยนะเพราะระยะทางจากบ้านแกลาดเร้าเนี่ยไปโรงพยาบาลเด็กเนี่ยมันสามร้อก็พอละวแกโกรธมากแล้วแกมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณพิพิธฟังน้ําเสียงเนี่ยจากน้ำเสียงเนี่ยทําให้คุณพิพิธรู้ว่าเนี่ยแกคงไม่ใช่คนแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ แต่สิบสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแกคงเล่ามาให้ผู้หลายคนแนละ้วคุณพี่ก็เลยถามก็ว่าเนี่ยคุณขับรถวันหนึ่งนานเท่าไหร่ปั้งแต่สิบชั่วโมงครับคุณขับรถเสร็จคุณทําอะไรกลับไปที่บ้านคุณทำอะไรผมก็ไม่ทําอะไรครับผมกินข้าวผมก็นอนเพราะเพราะว่าเหนื่อยนะผมนอนแต่หัวผมนอนแต่หัวค่ําเลยคุณพี่ก็เลยถามว่าถ้ามี คนมาปลุกคุณตีหนึ่งครึ่งเนี่ยเพื่อมาขอให้คุณไปส่งเขาเนี่ยคุณจะไปไหมอบอกผมไม่ไปลแล้วครับก็หกเจอการใช้งานก็เขาขอเจ็ดร้อยคุณยอมไหมผมไม่ไปแล้วครับสุขภาพสําคนก่อนเงินคุณพี่เขบอกนเนี่ย <c oughs> เพื่อนบ้านคุณเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยฝ่อยทำงานหนักกัคุณก็ได้ <c oughs> แต่ว่าตีหนึ่งครึ่งเนี่ยนะ <c oughs> คุณไปปลูกเขานะ ถ้าเขาหนึ่งถ้าเขา ม, มีน้ำใจสองถ้าเขา ม, มีรถเนี่ยลูกคุณตายไปแล้วใช่ไแต่นี่เนี่ยเขามีรถแลวเขามีน้ำใจและช่วยลูกคุณยังปลอดภัยนะแต่ว่าคุณกลับคิดแค้นเขาเพียงเพราะว่าเขาเรียกเงินห้าร้ยบาทจากคุณ แกก็ได้คิดเลยแกไม่เคยได้คิดแกไม่เคยคิดเลยนะพว่าไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยช่วยช่วิลูกไปไว้แกคิดแต่ว่ามึงเรียกกูห้าร้อยบาทและคุณพี่ก็ถามเนี่ยคุณเรียกคุณตอนที่คุณถามว่าถามเพื่อนบ้านว่าคุณจะเอเท่าไหร่เนี่ยเพราะคุณคิดใช่ไหมว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะไม่คิดเงินคุณแต่พอเขาเรียกเงินคุณถทนเรียกห้าร้อเนี่ยคุณโกรธคุณเห็นกับตัวมาถ้าคุณคิดได้นะ ว่าเขาช่วยชีวิตลูกคุณนะคุณคว้าเงินพันบาทยัดใส่กระเป๋าไปเลยเนี่ยคุณมีความสุขเล้วจะ<ม>ได้คิดเลยคือแกแคร์เนี่ยแกแคร์เพราะแกะเห็นแต่งงนลบของไอ้เพื่อนบ้า น, นว่ามึงเอาเงินห้าร้บาทจากกู<ม>แต่แกไม่ได้มองเลย ว, ว่าเนี่ยเนี่ยก็คือเขาช่วยชีวิตลูกคุณเอาไว้นะแล้วที่คุณเรียกคุณเรียกเงินเขาเนี่ยว่าคุณคิดว่า เขาจะไม่ขี้เงินจากคุณเพราะคุณเนี่ยเห็นแก่ตัวคุณงก是是ไม่ได้มองตรงนี้ใช่是是ไหมเป็นมองแต่ว่าไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยเห็นแก่ตัวแต่ไม่ได้มองเราเองก็เห็นกก่ตัวเือนกันใช่ไหมเราอยากจะให้เขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอเคบพราะว่าแ ก, ก, แกหายโกรธเลยนะหลุดเลยแล้วแกบอกเนี่ยแกบอกว่าพอไปถึงดอนเมืองแกบอกเขากราบได้ไหม ผมโกรธมาสิบสี่ปีเนี่ย <c oughs> อยากจะไปขอโทษเขาไม่รู้ทํำไงเพราะผม <c oughs> ผมก็ย้ายบ้านเปนานแล้วบอกไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะว่าเขาไม่คงไม่ได้โกรธอะไรคุณหรอกนะคือเห็นไหมคือบางคนเนี่ยความโกรธคนเรานี่มาสามะสมมานานเนี่ยเพราะเราเห็นลบไงเราไม่ได้มองบวกไงบางทีพี่กับน้องเนี่ยมันเห็นแต่ลบมันไม่เคยมองบวกลองให้เขาเห็นบวกบ้างบางทีเขาจะรักกันมากขึ้นโอเคนะ อ <Yeah. S 2> um ่า